ท่า น, นิีเศธท่านฝ่ายบรรพชิตและครึงหัุกุระดับเนื่องจากว่าเป็นหัวข้อการสัมมนาก็จะตกลงในเรื่องต้นก่อนว่าการบรรยายจะสลับกับการแลกเปลี่ยนักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นช่วๆไปแต่ว่าเพื่อให้ เกิดประเด็นในการแลกเปลี่ยนก็จะบรรยายนาเป็นช่วงๆ เ, เรื่องแรกก็คือที่มาของออการบริหารการเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์สุรพลได้พูดพัฒ น, นามาจากพระบบราชบณิธานของราชการที่ห้า ในปี 2,439 ที่สรงประกาศว่าจะตั้งมหาจุฬาทิวัตมหาธาตนยให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเราก็มาตีความเมื่อมามีพรบรเนี่ย240เราก็จัดการศึกษาใน สนองพระราชบรีธานแต่ว่าทำยังไงให้ให้ชัดขึ้นปีสองพันห้า้อยห้าสิบก็ตกผลึกเป็นปรัชญามอจรองสามประโยคจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่สองประโยคนี้ออกมาจากคำว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรพิดก เราก็มาเขียนว่าจัดการศึกษาพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็คือพระพุทธศาสนาจัดเป็นสถานสารพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงคือวิชาอุดมมาศึกษาในสมัยโน้นเราก็มาเป็นประโยคที่สองว่าการจัดการศึกษาศาสนาเนี่ยไม่ใช่แยกส่วนแต่เชื่อมโยงกับาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือวิทยาการใน อุดมมาศึกษานั่นเองเพื่ออะไรเรียนแล้วก็เพื่อพัฒนาจิตใจและพัฒนาสังคมพัฒนาจิตใจผู้เรียนไปพร้อมๆกันสมัยนี้ก็เรียกว่ามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมในส่วนพัฒนาจิตใจและสังคมเราจึงมีวิชากรรมฐานมีวิชาปริศนา แล้วก็นิสิตออกไปปฏิบัติาศาสนกิจหลังจากเรียนจบปี4เนี่ยหนึ่งปีแล้วก็มีการอบรมเยาวชนภาค ร, ร้อนและงานจิตอาสา ม, มากมา่รวมถึงการจัด ง, งานวิสาขาบูชาโลกก็สะท้อนถึงปรัชญามหาจุฬา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งคำว่าบูรณาการหมายถึงอะไรอันนี้เริ่มจากปรัชญ า, ยาหาจุ์าก่อนนะแล้วจะคลี่คลายขยายไปคำว่าบูรณาการมาจากภาษาอังกฤษว่า integration integration นั้นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเรื่องของ Combination c o m b i เ a t i o n of c o m p o พ e n t parts เพื่อให้เกิด Integral whole เอาภาษาอังกฤษไว้อย่างนี้นะภาษาไทยก็แล้วกันบูรณาการก็คือผสมผสานส่วนต่างๆเท่าด้วยกันจนกลายเป็น Integral whole เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิด whole ก็คือองค์รวมใหม่ มันมีสองความหมายนะบูรณาการในมหาโยราใช้สองความหมายความหมายที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับภาษาอังกฤษที่ที่ใช้มาเนี่ยคือรวมเอาส่วนประกอบต่างๆแล้วก็เกิดองรวมใหม่อันนี้ความหมายแรกในความหมายนี้บูรณาการไม่ใช่แค่กองไม่ใช่แค่กอง กองอิด ก, กองายเวลาเราเอาพารเอาส่วนมากองรวมกันเนี่ยมันไม่เกิดอง์รวมใหม่นะถือว่าเอากองดินเนี่ยมารวมรวมกันกองอิดมันก็เป็นแค่กองแต่ถ้าเราเอาส่วนประกอบมารวมกันอย่างถูกส่วนมันจะเกิดองค์รวมใหม่เช่นมือมือไม่ใช่ผลรวมของนิ้ว และอวัยวะแต่มันเป็นมือที่มากกว่านิ้วที่มากกว่าอวัยวะอันนี้เขาเรียกว่า w h o l ไม่ใช่ผลรวมของ p a r t มันจึงมีมีความเป็นความมีของมันตั้งหากขึ้นมา เมือกับคําว่ามือไม่ใช่แต่ถ้าเราตัดนิ้วออกมากองๆกันเนี่ยมันแค่กองแต่มือเป็นเป็นเนี่ยมันต่างกันอันนี้ก็คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบูรณาการในความหมายแรกมือในที่นี้คือองค์รวมองค์รวมไม่ใช่ผลรวมของส่วนประกอบถ้าเราตัด หัวมันออกมันก็ไม่ใช่องร์รวมที่มีความสมบูรณ์มันแค่เป็นชิ้นเนื้อฉะนั้นถ้าเราเอาเราเรียนแบบแยกส่วนเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เรียนรัฐศาสตร์ก็เรียนสังคมศาสตร์ก็เรีย น, น, เ, รยนเรียนอยู่ในหัวเราแต่มันบูรณาการกไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราอะ่ะ จบแล้วก็ลืมแล้วเพราะมันแยกส่วนแต่ถ้าเราเรียนไม่ว่าจะเรียนพร้อมกันเรียนแยกกันก็ตามเนี่ยมันอินเตอร์เกรตก็คือสมองเราจิตเราทำหน้าที่หน้าที่สังเคราะห์วีเคราะห์ย่อยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันและกลายเป็นโลกกระทัดของเรา ว d v i e w ซึ่งเวลาใครถามว่าเราเรามีความคิดอย่างไรในเรื่องนั้นเราสามารถตอบได้ในฐานะที่เรามีองค์ความรู้เวลาเราทำาี่สิผลเราก็ตอบได้เขียนได้สรุปได้บทสรุปมันไม่ได้เป็นผลมาจากบทต้ น, ตน แต่มันเป็นความรู้ใหม่บวกฐานแห่งการรวบรวมข้อมูลนั้นนั่นคือบุรณาการแต่ถ้าหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองเหมือนกับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยมันไม่ใช่บุรณาการในความหมายที่หนึ่งนะคือมันจะต้องเป็นองรวมใหม่ที่มีอะไรใหม่ๆประเด็นที่สอง เป็นบูรณาการแบบเติมเต็มอันนี้เปรียบเทียบกับจิก๊กซอมันเหมือนกับว่ามันมีชิ้นต่างๆเรียงกันเกือบจะเป็นหน้าคนอยู่แล้วแล้วเอาบางชิ้นมาใส่เข้าไปมันก็เป็นความสมบูรณ์คือผสมผสานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบสอดแทรก เหมือนกับที่เราพูดกันในโรงเรียนประถมมัธยมว่าให้เรียนพุทธศาสนาแบบบูรณาการก็คือสอบแทรกอาจจะเรียนวิชาไหนก็ได้แต่ให้มันมีพระพุทธศาสนาเข้าไปจริยธรรมเข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ในความหมายที่สองเนี่ยเราเนึกถึงจิกง๊กซอ เอามาใส่เป็นชิ้นๆชิ้นๆเติมเต็มให้สมบูรณ์ความหมายแรกพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยหมายถึงพระเขากรงกลืนกันยกตัวอย่างที่เราทำในลักษณะนี้ก็คือบุนดิสไซคลจีพุทธจิตวิทยา ในตัวอภิธรรมกรรมฐานมันเป็นพุทธจิตวิทยาอยู่ในตัวมันเป็นโ l e เราจะมองตรงไหนมันก็เป็นจิตวิทยาตะวันตกตะวันออกแบบไหนมันเพราะฉะนั้นบุรีไซคอลโลจีเนี่ยใช่มันเป็นการบูรณาการแบบองรวมแล้วเกิดรายวิชาใหม่แต่ถามว่าถ้าเราเรียน เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยบุ d ิสิคโอนอเมกซ์เนี่ยมันไม่ใช่แบบแรกตัวอิ o n o m i c ก์มันเป็นตัวตั้งแต่เศรษฐศาสตร์ไม่ควรแยกจากจากริยศาสตร์หรือจริยธรรมมิฉะนั้นมันจะมือใครยาวสายได้สาวได้สาวออา รัฐศาสตร์ไม่ควรจะแยกจากจาริยธรรมเอาพุทธธรรมไปทำให้การปกครองมันสมบูรณ์มีทศพิษ ร, ราชธรรมระบบการบริหารการปกครองมันมีอยู่แบบตะวันตกอะไรมันเป็นระบบ เราเหมือนเอาน้ำมันเครื่องหล่อลื่นอะไรเข้าไปไปทำให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นบูรณาการแบบที่สองฉะนั้นในในคณะสังคมศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าการบูรณาการที่เรากำลังทำเนี่ยก็คือท่านเรียนศาสตร์ต่างๆเป็นหลักแล้วเรามักจะพูดกันว่าเรียนศาสตร์เหล่านี้นี่ มันมีเอกลักษณ์มหาจุ า, าตรงไหนมันต่างจากที่อื่นอย่างไรก็ตรงที่ท่านเอาคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกทำให้มันสมบูรณ์เหมือนกับที่เราเรียนภาษาอังกฤษหลายรูปในมหาจุ า, าเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดีเพราะเคยเรียนภาษาบาลีมาก่อนมันเชื่อมโยงกันมันช่วยให้ดีขึ้นง่ายขึ้นแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่วิชารวมกันแล้วกลายเป็นวิชาใหม่อันนั้นมันเป็นแบบที่หนึ่งพุทธศาสนากับลัทธศาสตร์มันก็คนละวิชานั่นแหละ แต่ทำอย่างไรจะเอาผู้ศาสนาเนี่ยมาช่วยทำให้รัฐศารรัฐภ า, านาศาสตร์เนี่ยมันมีปาฏิหารเป็นการปกครองที่เกิดโลกสีอ่านในอุมพติอันนี้นคือสิ่งที่เป็นบูรณาการในความหมายที่สองเหมือนกับเอารัฐาราราศาสรรัฐภาสาศาสตร์เชื่อมโยงกับพุทธธรรม ในธำนองเดียวกันเมื่อเราพูดถึงพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เราคงไม่ได้หมายถึงแบบที่หนึ่งบางท่านพยายามทําให้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้ไหมเราเคยได้ยินนะพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์หรือ เอาวิทยาศาสตร์มาช่วยให้คำสอนในพุทธศาสนามีริบมีเดชเติมเต็มให้น่าสนใจท่านจะเลือกเอาแบบไหนและทำแบบไหนอ่าประเด็นหนึ่งองรวมพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่รวมกันเป็นหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่โดยเพราะวิทยาศาสตร์หรือสอง เอาศาส์สมัยใหม่มาทำให้พุทธศาสนาสื่อกับคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและทำให้ศาสตร์สมัยใหม่นั้นไม่แยกจากสี่ละธรรมมันควรจะเป็นประเด็นไหนหรือที่ท่านทำอยู่เป็นเรื่องอะไรอ่ะใครจะแสดงความคิดเห็นประเด็นแรกก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปรายละเอียดเพิ่มขึ้น ถ้ายังไม่มีไปต่ อ, เ, อ, อเพราะเวลามีจำกัดคำว่าศาสตร์อะศาสตร์สมัยใหม่เราบัญญัติจะคำว่า e ซ c e เช่น c ซ a l s c i e n ส e ใช่ไหมสังคมศาสตร์โประาาิาสนไซส์รัฐศาสตร์ทับทับปริแอกเหรอ มันมีศาสตร์ตรงไหนคือใส่ให้มันศาสตร์ไปเลยนะ Public a d m i n i s t r เ t ช o n ใช่ไหมใส่ไหมเาสาใส่ด้วยเดี๋ยวน้อยหน้าเอาเป็นว่าที่จะเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่าสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะจิตวิทยาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมี scientific method มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีรีเ e ิร์ชมีเอ็กซ์เพร t เนต์ก็คือระบบการแสดงความหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และระบบวิชาความรู้ที่ได้จากวิธีการเช่นนั้นเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ทีนี้ศาสมัยใหม่โมเดิร์นไซ c ์ บุรณาการพุทธศานกับศาสตร์สมัยใหม่ เ, เราตัดตอนจากตามคำของไอน์สไตน์นะว่าโมเดิร์นไซส์เนี่ยเริ่มต้นในสมัยการลิเลโอการลิเลอี o, le I. ชาวอิตาลีนะเขาถือว่าเป็นไอสไตน์อัลเบิร์ไอสไตน์ถือว่าการลิเลโอเนี่ยเป็น Father of m o d e เ n Science เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพราะว่ามันมีการใช้เครื่องหมายเครื่องมือไม่ได้คิดคำนวณอย่างเดียวเป็นปรัชญาหรือเป็นคณิตศาสตร์เาการลีเลโอเนี่ยเขาพัฒนากล้องโทรทัศน์ส่องบทท้องฟ้า ดูดวงดาวในปี2152 2152ก็ช่วงอายุทยาพระเจ้าพระสมัยพระเอกาทศรสหลังพระนเรศวรเนี่ยนะพระเจ้าปราสาททองอะไรช่วงนั้ น, นใช้กล้องโทรทัศน์ศึกษา ความเป็นจริงแล้วก็กําหนดทฤษฎีขึ้นมาโดยสนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจั ก, กรวาลก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวโลกเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจั ก, กรวาลคำว่าจาั ก, กรวาลในที่นี้คือโซลาร์ซิสเต็ม สุริยะจั ก, กรวาลเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเพราะฉะนั้น common sense สามัญสำนึกก็ต้องบอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางจั ก, กรวาลแต่โคเปนิกัสคิดแย้งว่าไม่ใช่พระอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางจั ก, กรวาล พิสูจน์ยังไงการเลเลโอบอกพิสูจน์ด้วยกล้องโทรทัศน์ส่องไปบนท้องฟ้าเรื่องแค่นี้เนี่ยนะทำให้การเลเลโอขึ้นศาลศาลศาสนาเพราะว่าศาสนาคลิปในสมัยนั้นเนี่ยเชื่อตามอริสโตเติลและกัปโตเลมีนยะของอียิปต์ของกรีก บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วก็ท่านก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งพระอาทิตย์เนี่ยนะมันก็โคจรรอบโลกหมด อ, อริสโตเตลิลเชื่ออย่างนี้ปโตเลมีเชื่ออย่างนี้มาเป็นพันปีโทโมัสสควอเซนโทมัสสควนัสรับรองคำสอนของอริสโตเติล เพราะฉะนั้นคริสเตจจึงบัญญัติว่าโลกเป็นศูนย์กลางจั ก, กรวาลใครสอนว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลเป็นนอกรีบหมดเลยต้องขึ้นาาศาลศาสนาโทษหนักก็เผาเผาทั้งเป็นทีนี้สิ่งที่ทำไมาศาสนาคริสต์จึงชอบ ที่อริสโตเติลบอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็เพราะว่าเลยเลยขอบเขตของจูปิเตอร์ของดาวเสาวดาวอะไรไปเนี่ยมันเป็นเฮเ v อรี่เฮเบอรี่บอดี้ก็คือดวงดาวเนี่เขาถือว่าอยู่บนสวรรค์ภาษาอังกฤษเขาเรียกเฮเบรี่บอดี้เทหวัตถุแห่งสวรรค์แล้วอริสโตเติลบอกว่าการที่ ดาวพระอาทิตย์ดาวเคราะห์ทั้งหลายวนรอบโลกเนี่ยเพราะมันมีมือที่มองไม่เห็นคอยหมุนให้มือที่มองไม่เห็นคอยหมุนให้มือที่มองไม่เห็นนั้นอริสโตเติลเรียกว่า u n m o v e mover เป็นผู้จัด ก, การหมุนคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคลื่อนไหว เป็นพลังอันมูฟมูเฟอร์อลิสเตอร์นไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะแต่ว่ามันเป็นพลังอันหนึ่งที่คอยจัดระเบียบให้โลกมันหมุนดาวไม่ชนกันาศาสนาคริสบอกว่านั่นคือกอสอันมูฟมูเฟอร์เป็นพระเจ้าทันทีเลยเพราะฉะนั้นระบบนี้มันจึงเข้ากับาศาสนาจักรมาเป็นพันปีอยูอยูกาเลเดโอ มาบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันล้มคำสอนในศาสนาจักรที่พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าวิทยาศาสตร์มันขัดแย้งกับศาสนาแหละนี่คือตัวอย่างว่าทำไมมันจึงเกิดความขัดแย้งในโลกตะวันตกเนี่ยพระศาสนาทั้งหลายไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ยิ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขัดคอพระจะขึ้นธรรมดมันพูดไม่ถนัดขัดแยง้งคำถามเพื่อสัมมนาพระพุทธศาสนาขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เช่นนั้นหรือไม่เอาเดี๋ยวให้อภิปรายตัวนี้แต่ว่าจะเล่าเรื่องนี้ไปก่อนเพื่อให้เห็นว่า พูทศสนาขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นปรวติศาสตร์และไม่ได้ขัดแย้งธรรมดานะตัวการเลเลโอขึ้นศาลศาสนาเขาเรียก Inquisition แล้วถูกตัดสินว่านอกรี่บังคับให้ถอนคำพูด ไม่งั้นติดคุกหรือประหารโดยให้เขียนสารภาพว่าที่ข้าพเจ้าบอกว่าพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล น, นั้นผิดทำไปด้วยโมหะมืดมนไม่เชื่ออีกต่อไปลงชื่อเขาก็เลยลดหย่อนโทษปราณีก็คือแค่ house arrest ก็คือกัดบริเวณไม่ต้องติดคุก จนตายอ่ะถ้าไม่ไม่ยอมรีแคนอาจจะตายนี่คือความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ถามว่าเมื่อเราพูดถึงพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในประวติศาสตร์เราขัดแย้งอย่างนั้นหรือไม่หรือสองมันมีคำสอนที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเช่นนั้นก็หรือไม่ทีนี้วิทยาศาสตร์ท่ว่าเนี่ยไอ้คว่าศาสตร์ท่ว่าเนี่ยมันมีทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์นะแล้วก็อะไรัรฐศาสตร์อะไรต่างเยอะแยะหมดเลย สิ่งที่จะเป็นาศาสตร์ได้เนี่ยนักวิชาการเขาก็บอกว่ามันจะมีเอกลักษณ์ร่วมกันมีลักษณะร่วมเขาพยายามใช้คําว่า unity of size unity ก็คือสิ่งที่จะเป็นสายด้วยกันมันจะต้องมีสภาวะที่เป็นเอกภาพมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งถามว่าคืออะไรอย่างลักษศาสตร์เราก็เป็นาศาสตร์รักษศาสตร์ ก, าาก็เป็นศาสตร์ กิริยาก็เป็นศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรรวมถึงฟิสิกส์คำตอบเขาบอกว่า all scientific laws follow fundamental l y from physics คือมันจะมีกฎทางวิทยาศาสตร์ไซ i e n t ลอ i เนี่ยเมื่อมีเมื่อมีมอมกฎ ไม่ว่าจะเป็นกฎทางสังคมศาสตร์ทางาฟิสิกอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความเป็นคอร์โซลีเลชชั่นชิพความเป็นเหตุเป็นผลฉะนั้นเวลาที่เราพูดแบบคิดอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่หมายถึงคิดยังไง <c oughs> เหตุผลและกฎวิทยาศาสตร์นั้นมันช่วยในเรื่องอะไรมันพิจิตร มันพยากรณ์ได้เพราะฉะนั้นนักรัทศาสตร์นักสังคมศาสตร์อะต่างเนี่ยมันเห็นปรากฏการณ์เนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้มันพยากรณ์ได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาตัวแปรนี้ใส่เข้าไปในการทดลองสมมุติว่าทางจิตวิทยาก็เหมือนกันทางพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ทางอะไรก็ตามถ้ามันมีองค์ประกอบเหล่านี้ใส่เข้าไปมันจะได้รับผลอะไรตามมาเคืกมันเป็นกฎ และกฎเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นศาสต ร, ร์สังคมศาสต ร, ร์วิทยาศาสต ร, ร์อะไรก็ตามมันจะต้องสอดคล้องกับมันเป็นไซน์ฟิสิกสอเนี่ยมันจะต้องตามกฎฟิสิกส์ฟิสิกส์มันจะเป็นต้นแบบของศาสต ร, ร์ทั้งหลายโลกโลกทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เราจะได้ถึงนักฟิสิกส์อย่างไอแซคนิวตันอย่างไอน์สไตน์ เพราะว่านี่คือต้นตำรับของวิทยาศาสตร์เขาเรียกวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์พวกเรานี่สังคมศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประยุกต์เพราะเราใช้ Law scientific Law เราใช้กฎแห่งเหตุและผล จะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถ้าไม่มีเรื่องของกฎถูกไหมจิตวิทยามันก็จะต้องมีกฎทางจิตทางสังคมก็มีกฎมีกฎหมายมีอะไรต่างๆและเมื่อพูดถึงกฎมันจะต้องมี c อร์ l relationship มีความสัมพันธ์ทางเหตุและผลเพราะเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นหัวใจ n i น y of s c อ e สายเรื่องกฎนี่แหละ ที่ทำให้จบประเด็นนี้ไว้นะจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถ้าไม่มีเรื่องของกฎอย่างไอแซกนิวตันเขาพ้นกฎอะไรแรงโน้มถ่วงใช่มกฎอของวิทยาศาสตร์ก็คือสาสารมันจะอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันไม่ได้อวมัดอะไรเขาเรียกอะไร มันก็เป็นกฎของมันแล้วไม่งั้นมันชนก็ระเบิดแม้แต่อตอมแต่ละอย่างมันจะมีกฎของมันทีนี้ในกฎเหล่านี้เนี่ยมันอิมพลายแปลว่าโยงไปถึงคอสเลเรชั่นชิพก็คือความสัมพันธ์แห่งเหตุและผลถ้าไม่มีอะไรดึงมันจะมีแรงน้มถ่วงไหมไม่มี ถ้าไม่มีโลกคไฟดึงดูดเราจะไม่ตกมาจากท้องฟ้าสแสดงว่ามันจะมีเหตุทำให้เกิดผลคือตกลงมานี่คือ causal relationship เวลาพูดอะไรที่มันมีเหตุมีผลมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแครอสจราจนลอยๆมันเป็นวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุและ ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละที่พูษนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างดีเพราะคำสอนเรื่องคอส l ลเ i ชันและมันก็เลยเกิดกฎในพูษนาในพระบาลีอัสตตะวตาสูตรตเนี่ยปฏิจจสมุปบาทก็คือสรุปว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาบอกกฎธรรมชาติอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีอิมัสสหมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีอิมัสเมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเราเรียกพูดง่ายว่าเมื่อมีกอก็มีขอเมื่อไม่มีกอก็ไม่มีขอ เมื่อมีสมุทยัยจึงมีทุกเมื่อดับสมุทยัยจึงดับทุกฉะนั้นอริยสัจสี่มันก็คือการประยุกปตปิจจ่าสมุปบาทไปแก้ปัญหาชีิตมันอันเดียวกันนั่นแหละพระพุทธศาสนาจึงมีกฎของเหตุและผล รวมเป็น5กฎด้วยกันกฎที่1ก็คือฟิส s i c a l law เรียกว่าอุตุนิยามกฎที่สองคือ p ชนิยาม i o l o g i c a l Laws เรื่องพันธุ ก, กรรมกฎที่สมเป็นจิตนิยาม Psychic Laws กฎที่4ี่เป็นกรรมนิยามกรร ม, มะกฎแห่งกรรม แล้วกฎที่ห้าครอบคลุมถ้ากฎทั้งสี่ขั้นต้นเรียกว่าธรรมนิยามตัวธรรมนิยามเนี่ยคือกฎธรรมชาติที่เราพูดถึงกฎธรรมชาติเนี่ยคำนิยามแปล ว, ว่ากฎมีอยู่ห้าประเภทในการตั้งแต่ Physical Law, ฟิสิ a อล a อกฎฟิสิกเนี่ยอุตุนิยามจนพีชนิยามกฎพันธุกรรมกฎมันเดลอะไรก็ตาม DNA เนี่ยแล้วก็เรื่องจิตวิทยาจิตนิยามส่วนเรื่องสังคมาศาสตร์เป็นกรรมมนิยาม <นะ S 1> เห็นไหม <_ t ale> แล้วที่ครอบคลุมทุกกฎ <_ t ale> เราเรียกธรรมนิยามคือคอร์สโซลเลชันธรรมนิยาค ม, มยาคืออะไรปฏิจจสมุปบบา ตัวปฏิจจสมบัติเนี่ยเป็นกฎใหญ่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับนะแล้วมันก็ย่อยไปเรื่องฟิสิกส์ไปเรื่องอะไรพืชชีวิตไปเรื่องจิตไปเรื่องสังคมถ้าเราเข้าใจเรื่องสี่กฎเนี่ยมันกฎย่อยมันจะเข้าใจเรื่องธรรมชาติทั้งหมดแล้ว มันรวมอยู่ใต้ธรรมนิยามฉะนั้นศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเรียนกันอยู่เราก็มาสรุปสิว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันอยู่ในกฎไหนและเราก็ลงไปในรายละเอียดฉะนั้นท่านเห็นหรืยังว่าพุทธศากับศาสตร์เนี่ยมันไปด้วยกันได้ตรงไหนตรงที่มิยามนี่แหละอะในปุปผสูตรพระเจ้าตรัสว่า อุ ป, ปาทาพิกเวตาถาคานานาันุปาทาวะอันนี้คือบาลีที่ยืนยันว่าพระพุทธศาสนาไม่ทะเลาะกับวิทยาศาสตร์โดยคําสอนเองนี่แหละไม่ใช่ประวิศาสตร์อย่างเดียวคือระบบคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระไ ต, ตรปิฎกเนี่ยไม่มีทางที่จะทะเลาะกับวิทยาศาสตร์ได้เพราะประโยคนี้อ่านให้ชัดเลย อ่นพร้อมกันก็ได้พิกษูตทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัส น, นะพระพุทธเจ้าหรือตถาคตจากอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ต่างธ า, าตุนั้นคือธรรมะิติความดํารงอยู่ตามธรรมชาติธรรมนิยามกฎธรรมชาติอิทธปจิญญาตาภาวะที่สรรพสิ่งเกิดดับตามเหตุปัจจัยนยีก็ยังมีอยู่พระตถาคตาย่อมตรัสรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุอนนั้นแล้วบอกแสดงบัญญัติ แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้เข้าใจง่ายประโยคนี้ทำไมจึงบอกว่าไม่ทะเลาะ ก, กับวิทยาศาสตร์หมายความว่าไงเพราะอะไรครับเอาพระช่วยหน่อยเออแล้วทำไมจึงไม่ทะเลาะ ก, กับกับวิทยาศาสตร์ภาษาบาลีภาษาไทยที่แปลมาทั้งหมดเนี่ยถ้าดูให้ดีว่าทำไมจึงไม่ทะเลาะ ก, กับวิทยาศาสตร์ เ <Huh? S 2> พราะพิสูจน์ได้อะไรอีกเพราะอะไรเหตุผล <c oughs> อ่านให้ทุกแถวนะครับไ <c oughs> อ้ที่พูดได้อ่านบางแถว <c oughs> น, นนั่นคือประเด็นประเด็นคือว่ากฎธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว <c oughs> ในพระบาลีนี่เลยนะ พระผู้เทเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีอยู่พระผู้เทเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างกฎไม่ใช่เจ้าของกฎแต่พระพุทธเจ้าเป็นอะไร ผ, <c oughs> ผู้ค้นพบนะผู้บอกผู้เปิดเผยผู้เทศนาสั่งสอน แล้ว45ปีนี่พระเจ้าสามารถจะเทศกด DNA ควอนตัมฟิสิกได้ไหมมันเวลามันไม่พออก็ต้องรอให้ออสไตล์มาพบบ้างเข้าใจไปใดยังคนเดียวฮะต้องรอยเออแบกกะดังคือ พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดธรรมชาติมันก็ยังมีอยู่เกิดแก่เจ็บตายนี่มันมีอยู่ไหมอา้าวใจรักมันก็ยังมีอยู่อันนี้จังทุกขังอันัตารวมถึงกฎฟิสิกส์ทั้งหลายมันก็มีอยู่และกฎแรงดึงดูดต้องรอให้นิวตันมาเจอไม่งั้นพระพุทธเจ้าผูกขาดบ่ดสิเออทีนี้ถ้าคนอื่นมาเจอแล้วมันเป็นของจริง เราจะปฏิเสธได้ไหมไม่ไ ด, ไได้ถ้ามันเป็นจริงแล้วเราจะไปทะเลาะ ก, กับเขาทำไมเพราะเราไม่ได้ไปผูกขาดว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ในกฎทั้งหลายเนี่ยแต่พระเจ้าเน้นเรื่องอะไรใน45ปีพระเจ้าเน้นเรื่องอะไรพระเจ้าไม่ได้เน้นฟิสิกส์เคมีจิตวิทยาก็ไม่เชิงแต่พระเจ้าเน้นอะไร ทุกข์กับความดับทุกข์สี่สิบห้าปีพระพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์นึกถึงเรื่องมาลงกยญัตตสูตรได้ไหมละ่ะคนถูกลูกสอนยิงนึกออกไหมทำไมนั่งบงเบ้ จะได้จะได้ไม่ต้องเล่าแต่นึกได้ประหยัดเวลาไม่เคยได้ไยดินอีกโอ้เออเอาๆนะงั้นงั้นต้องโยงคือมาลุงกายบุตรเนี่ยมาบวชแล้วมาให้พระเจ้าตอบเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องฟิสิกส์เรื่องอะไรกันแล้วแต่ โลกนี้มีที่สุดไม่มีที่สุดมีคนสร้างไน ม, มีคนสร้างจักรวาลนี้มาจากไหนเนี่ยที่เราเรียกกันว่าอัพยกระตะปัญหาปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์หรือไม่ตอบสิบข้อโดยมาลุงตยบุตรเซาซีให้ตอบถ้าไม่ตอบตอนนั้นเป็นพระบทใหม่บอกว่าจะสึกเออจะลาสึกเลยเปลี่ยนศาสนาเลย โอ้ยยืนำคำพานอย่างนี้เลยนะย้ายวัดเลยอะ่ะอ้าวอ้าวช่วยหน่อยช่วยหน่อยพระเจ้าตอบว่าไงเออพระเจ้าตอบว่ามาลุงกยะตอนที่เธอมาขอบวชนี่ เราได้เคยสัญญากับเธอไหมว่าจะต้องตอบคำถามเหล่านี้มีทรายคอนแทคตรงไหนออโอ้พระเจ้าหัวหมอนะเ อ, อไม่มีไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นอยากซึ้งก็ซึ้งมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าจะต้องตอบเราไม่ตอบเพราะอะไรเพราะว่า ถ้ามัวแต่มาตอบคำถามพวกนี้เนี่ยนะเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันดับทุกเ์เธอไม่ได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษแทนที่จะให้ญาติห้ามส่งโรงพยาบาล กลับไปเ้าซีให้ญาติไปหาดูว่าใครมันยิงมันวันนักกษัตริย์พรามแพทย์หรือสูตรใช้ไม้อะไรพิษประเภทไหนหาให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลเธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไนว่าเขาจะต้องตายก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลใช่หรือไม่ใช่มาลรงพญาบอกเหมือนกันมัวแต่มาหาคำถามคำตอบเรื่องโรคเรื่องจักรวาลเนี่ย ทั้งทงที่ทุกข์มันท่วมทับเนี่ยคงจะตายซะก่อนนะเพราะะน่้นพระเจ้าเน้นเน้นอะไรอริยสัจสีหาเหตุของทุกข์แล้วก็ให้เกิดสมุเอเกิดนิโรธมีมัดทางดับทุกข์แต่ที่เรามาพูดกันตรงนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ สำหรับพระเนี่ยในการสื่อธรรมะบูรณาการเราจะได้พูดให้คนอื่นเข้าใจว่าในภาษาเดียวกันพระพุทธเจ้าเทศสอนชาวนาก็ใช้ภาษาชาวนาะไปเจอชาวนาพุทธเจ้าบอกพรก็เป็นชาวนาฮิริเอสามโนยโยตังสติเมฐาลาปาจันัง พราะองค์ก็ไถ่นามีมีมีไถมีฐานมีอะไรต่างไปสอนพระเจ้าแผ่นดินก็ใช้สับแสงของพระเจ้าแผ่นดินไปสอนชายหนุ่มหญิงสาวก็พูดภาษาวัยสรุ่นมีเพลงขับด้วยใช่ไหมให้พญานาคแต่งให้พญานาคไปร้องอ่ะสําหรับพระนี่เพื่อประโยชน์ในการสอนสําหรับคารืหัดเนี่ย เพื่อที่จะเป็นสื่อในการเข้าใจธรรมะและสามารถประยุกธรรมะเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทีนี้กลับมาเข้าประเด็นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์นี้เข้าใจประเด็นแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าพราะองค์ไม่ได้เอาความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยนั้น มาประกอบการสอนธรรมะเอามาใช้ปรัติศาสตร์ก็ใช้เรามาอยู่ในยุคนี้ซึ่งวิทยาศาสตร์มันจเจริญมากขึ้นอะไรขึ้นเราก็ต้องเอาหลายๆอย่างมาใช้ในการสื่อธรรมะเช่นเดียวกันมันถึงจะพูดภาษาร่วมสมัยและเพราะเราไม่ได้ใช้ไอสิ่งที่เขาค้นพบ ในทางวิทยาศาสตร์มาสอนธรรมะนั่นแหละเราจึงเสียโอกาสมากหมา ย, ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญนะมันเป็นบวกกับพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นลบกับศาสนาอื่นมันคนละเรื่องกันวิกฤตของคนอื่นเป็นโอกาสของพุทธศาสนาแต่น่าเสียดายว่าเรานอนหลับทับสิทธ์เพราะเราไม่รู้ วันนี้จะมาบอกว่าอะไรที่เราไม่รู้เพื่อสื่อเราเองมาอยู่ในในวงการพุทธศาสนาจะได้สื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจอ่ะนี่คือประเด็นที่จะพูดวันนี้นะแต่มาสรุปเรื่องที่ค้างไว้ก่อนสรุปพระบาลีนี้หมายถึงว่าทำไมพุทธศาสนาจึงไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เพราะอะไระเพราะไม่ได้ผูกขาดสัตธรรม พระพุทธเจ้าเพียงแต่มาค้นพบและเปิดเผยอ่านี่คือประเด็นพระพุทธเจ้าจึงตลัดต่อไปอีกที่หนึ่งนะนาหังพิคเวโลเกณนะวิวัามิเราไม่ทะเลาะไม่ขัดแย้งกับชาวโลกวิวัามิแปลวิวาทแต่ชาวโลกย่อมขัดแย้งกับเรา ทำเมวาทีผู้พูดถึงความจริงย่อมไม่ขัดขัดแย้งกับใครๆ ใ, ในโลกถ้าพูดความจริงไม่ทะเลาะ ก, กันหรอกไอ้พูดจริงบ้างไม่จริงบ้างจอมปลอมนี่แหละที่มันทะเลาะ ก, กันแต่ถ้าเอาจับความจริงมาพูดกันมันไม่ทะเลาะไอ้ประเภททะเลาะคือพวกรับรวงพราง อย่าไปพูดถึงเลยนะพุทธะมัจเอออย่าไปไปเออเออเอาเอาธรรมะล้วนๆเ่ไหมฉะนั้นพ่จ้าจะบอกว่าถ้าพูดความจริงมันไม่ทะเลาะกันหรอกและไม่มีฮิตเด่นเอเจนดได้เนาะทำไมนี้มันมีวาระซ่อนเล่นมันมีอะไรต่างมันก็เลยทะเลาะกันมาดูประโยคนี้นะหนึ่งเราไม่ขัดแย้งกับใคร พระเจ้าไม่ทะเลาะใครสองแต่ชาวโลกขัดแย้งกับเราคนพูดความจริงไม่ทะเลาะกันเพราะความจริงมันจะเหมือนกันสามประโยอ่ะมาดูนะที่ว่าประเด็นคำถามก่อนทาไมนะทาไมเนี่ยพระชาวโลกทำไมพระเจ้าจะบอกว่าชาวโลกขัดแย้งกับเรา เดาได้ไหมอา้าวท่านอธิบายไว้เลย น, นะต่อคคำว่าขัดแย้งนี้อัตกถาขยายความเราอ่านพระไจปิกนี่เป็นคำของพระเจ้าและพระอัตรกระถาอาจารย์คือคนที่เกิดรุ่นเดียวกับพระเจ้าหรือถัดมาร้อยสองร้อยปีทันทันความคิดก็มาขยายเราเรียกอัตกรกถาคอมเมนต์รี คำว่าขัดแย้งหมายถึงชาวโลกกล่าวว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาสวยงามชื่อว่าย่อมกล่าวขัดแย้งกับเราตถาคตพระเจ้าผู้กล่าวตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สวยงามนี่คือตัวอย่างเราก็จะตามใจกิเลสกิเลสมันก็อยากจะให้เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาแต่ พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตามไตรลักษณ์ก็ยังอยู่คืออันิจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นชาวโลกก็จะพยายามทำอะไรที่มันทวนกระแสของสัตว์จะทำมันก็เลยขัดแยง้งเอาทีนี้ดูประโยคนี้นะคำว่าพุทธเจ้าบอกว่าอนัตตาแต่ ชาวโลกบอกว่าเป็นอัตตาเชื่อไหมแค่ประโยคเดียวเนี่ยขัดแย้งพุทธศาสนามาสองพันปีเดี๋ยวจะให้ดูว่าขัดแย้งยังไงสองพันปีเนี่ยเพิ่งมายอมเมื่อเร็วๆนี้เองทุกแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ก็สอนว่าผู้ว่ามีอัตตาพุทธศาสนาเป็นเสียงข้างน้อยทุกศาสนาสอนว่ามีอัตาอาตาอาตมัน วิทยาศาสตร์ก็สอนว่ามีอัตตาพุทธศาสนาอยู่โดดเดียวมาสองพันปีว่าเป็นอนัตตาจนกระทั่งศาสตรสมัยใหม่เพิ่งมาบอกว่ามันเป็นอนาัตตาเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าขัดแย้งกับพุทธศาสนาทำไมพุทธศาสนาเราจึงจึงไม่ค่อยถูกจริตคนเนี่ยเพราะว่าความความความจริงมันจะเปิดเอยจเจริญมานี่มันผ่านมาเป็นพันๆปีมาคอนเฟิร์ม เรื่องแรกนะฮะ ค, คว่าอั ต, ตานะอั ต, ตาเนี่แล้วก็เที่ยงนะ่ยโลกเที่ยงเนี่ยคือศาสนาต่างๆรวมถึงวิทยาศาสตร์ด้วยเขาวิทยาศาสตร์สมัยขเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์สมัยโบราณ เขาเชื่อเรื่องความเป็นเหตุเป็นผล causation mm hmm. เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยเขาจึงไปสนับสนุนว่าสิ่งต่างๆที่เป็นผลมันเกิดมาจากเหตุเหตุเหตุเหตุเหตุและเมื่อสาวหาเหตุไปเนี่ยมันจะต้องไปถึงเหตุต้นต่อ mm hmm. เขาเรียก first cause เหตุต้นต่อเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นเหตุอีกมันจะต้องมิฉะนั้นมันจะถอยไปไม่รู้จบ เขาต้องสมมติให้มี first c o u s e ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีตัวการตัวแรกเลยเขาเรียกว่าเป็น self-created being เป็นสิ่งที่สร้างตัวมันเองไม่มีใครสร้างก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่สรรพสิ่งในโลกนี้ย้อนกลับไปเนี่ยจะไปถึงพระผู้เป็นเจ้า วิทยาศาสตร์ก็จะเหมือนกันเมื่อเมื่อท่านถามว่าไมโครโฟนมาจากไหนเนี่ยมันก็จะมาจากองค์ประกอบน้ไในที่สุดมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่แบ่งไม่ได้เขาเรียกอะตอมอะตอมแปลว่าอันคัตตัลบแบ่งไม่ได้มันคืออตัตราทุกวันนี้เราจงเก็บคำว่าอะตอมไว้เลยและทั่วโลกเนี่ยเชื่อว่ามีอะตอมมา 2,000 ปี ในทางจิตวิทยาในทางจิตใจเราเรียกอะตอมนั้นว่าอาตมันหรืออัตตาในศาสนาพราหมณ์ในมนุษย์ก็คือวิญญาณอมตะ i m m o r t a ท Soul วิญญาณอมตะในสรรพสิ่งมันคืออะตอมถ้าลงคิดว่าผู้ศนาเนี่ย ถูกชาวโลกสอนแย้งมาเป็นพันปีอย่างนี้ศาสนาพราหมณ์ก็บอกมีอาตมันในมนุษย์และก็มีอาตมันในสรรพสิ่งก็คืออะตอมกรีกก็บอกว่ามีอะตอมวิทยาศาสตร์ในตะวันตกก็มีอะตอมและเมื่อถามว่าใครสร้างอะตอมใครสร้างอาตมันมันจะต้องมีผู้สร้างเขาเรียก first cause ปฐมมเหตุในศาสนาฮินดูโลกต้องมีผู้สร้างเขาบอกว่าโลกเนี่ยอยู่บนหลังช้างช้างอยู่บนหลังเต่านิววาดมาเกือบร้อยปีละร้อยกว่าปีอยู่บนหลังเต่าแต่อย่าไปถามนะว่าเต่าอยู่บนหลังอะไร การถามเช่นนั้นเนี่ยเท่ากับไม่ยอมรับพระพรหมผู้สร้างก็พระพรหมถ่าจะสร้างอย่างนี้เนี่ยแล้วมีปัญหาอะไรไอ้ี่ <Any> problem <c oughs> เอ่อ no problem ศาสนาคริสต์ใครเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็น first cause นี่ก็คือโทมัสควานัสเซนโทมัสควานัสสรุป มันจะต้องมีปฐมเหตุและปฐมเหตุนี่แหละสนับสนุนพระผู้สร้างพระพรหมพระเจ้าผู้สนาทำไงสอนอยังไงนะปฏิเสธอย่างเดียว เออแ ล, แ, ลแล้วแล้วแล้วใครแล้วมันมาจากไหนอ่ะโลกนี้เห็นไหมเราก็เลยเป็นเสียงครั้งนอ้อย่มาดูกันพระพุทธศาสา น, นาบอกว่าไม่มี first cause นี่จากบาลีนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะอธิบายอย่างไรเราเป็นเสียงครั้งน้อย จากภาษาบาลีข้างบนเนี่ยแปลว่าสงสารแกลว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรือโลกนี้เนี่ยอนัมะตะโคแปลว่ามีที่สุดเบื้องต้นอันบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้วคำนิดเดียวแปลยาวๆอันนันมาตัะคะเนี่ยต้องท่องนะใครเรียนบาลีสมัยก่อนอนัมะตะโคอันมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วคือสรุปแล้วต้นก็ไม่รู้ ปลายก็มองไม่รู้นั่นแหละคือปรษนาถ้าไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้องปลายมันก็ไม่มีเฟิร์สคอรสมัว่วหรือเปล่าเขาก็จะถามศา ส, สนาที่มีพระเจ้าใช่ไหมแสดงว่าถอยไปไม่มีที่สิ้นสุดมันเปลยนไปได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปจบวิทยาศาสตร์มันก็เหมือนมันต้องมีที่จบที่ไหนที่หนึ่งถ้าไม่มีเฟิร์สคอรสไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีกวิทยาศาสตร์มันต้องถอยไปได้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหน เช่นโลกและจักรวาลนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไร่และพุทธศาสนาบอกว่าที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่รู้มันก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์แบบในสมัยโบราณจนกระทั่งมาเมื่อร้อยปีที่แล้วมันก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ในทางศาสนาอื่นเขาบอกว่า f i r ร์ c ค u ร์คือพระเจ้าพระพรหมทีนี้ มาเข้าใจทัศนะของเราก่อนนะแล้วเราไปเทียบกับวิทยาศาสตร์จักรวาลของเราเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีจุดเริ่มต้นเพียงแต่เวลาที่ท่านบอกอนตัตมาตระคะเนี่ยมันหมายถึงตัวเราเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าเริ่มมาจากไหนจะไปไหนในสังสารวัตรแต่จักรวาลเนี่ยมันมีเกิดดับโลกเราเนี่ย มันเกิดเมื่อไรวิทยาศาสตร์เขาก็บอกเกิดเมื่อไรเราก็รู้ผู้ชนะก็ยอมรับว่าโลกมันเกิดเมื่อไรแล้วมันจะดับเมื่อไรก็คำนวณมาแต่ไม่ใช่ว่าโลกดับแล้วเราศูนย์เราไปอยู่ไหนอาพัฒน์สาพรมไปเกิดเป็นพรมถ้าถ้าทําดีถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ไม่ทําดีไปไหนอะนรกยังว่าง เฮ้ย่อเยอะนะเห็นไหมเห็นไหมสรุปแล้วต่อให้โลกดับเราก็ยังเวียนไหวตายเกิดและถามว่าโลกในพุทธศาสนาเนี่ยโลกที่เราอยู่อาศัยมีโลกเดียวเสมอไห่มีโลกกี่เอิร์ธเนี่ยมีเท่าไหร่เฮ้อะโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้เนี่ยมีจนวนเท่าไหร่ โอ้โน่นเราไม่เกรดได้อิมเกจันโลกนี้ดับก็ไปเกิดที่อื่นสิเพราะฉะนั้นมันจึงอนามตตะะไงหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยเวียนว่ า, ายตายเกิดไม่รู้จบแต่จั ก, กรวาลเนี่ยมันเกิดดับจั ก, กรวาลที่กําลังเสื่อมหรือดับเขาเรียกสังวตตับส่วนจั ก, กรวาลที่กําลังเกิดเรียกว่าวิวัตตะตับ เนี่ย ส, สับธรรมะนะสังวัตตกับคือจักรวาลถูกทำลายด้วยไฟน้ำลมทุกสิ่งสลายไปสู่ธาตุเดิมโลกกลับไปสู่าธาตุเดิมไม่เหลือต้นไม้ไม่เหลือพวกเขาแล้วมันก็กลับเจริญขึ้นอีกเขาเรียกวนอย่างเงี้ยสังสารวัตรมันวนวิวัตกรกับคือจักรวาลเริ่มก่อตัวใหม่จนถึงทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเจริญเต็มที่สรุปแล้ว เราไม่ได้บอกว่าโลกไม่มีเบื้องต้นที่สุดคำว่าโลกที่อยู่อาศัยนะแต่วิญญาณของเราเรียนว่าตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงนิพพานทีนี้จั ก, กรวาลที่เราอยู่เนี่ยก็คือสุริยะจักรวาลตอนนี้มันอยู่ในช่วงก่อตัวก่อตัวขึ้นใหม่ถามว่าจั ก, กรวาลในพุทธศาสนามีลักษณะเป็นอย่างไร ในจุลนีสูตรพระเจ้าบอกว่าบอกกับอนุ น, นบอกว่าสุริยะจักรวาลหนึ่งเนี่ยมีกําหนดเท่าโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรทั่วทิศสว่างสวายรุ่งโรจน์คือเวลาพูดถึงจักรวาลเนี่ยเท่ากับมีพระอาทิตย์พระจันทร์ก็คือสุริยะจักรวาลแล้วมีสุริยะจักรวาล น, นี่จํานวนเท่าไหร่พระเจ้าตรัสว่าโลกกธานนตุในที่นี้ให้หมายถึง universe นะ โลกกระธาตุที่ตัดกับพรนรยานใหญ่ประมาณแสนโกดจั ก, กรวานคําว่าแสนโกดก็คือล้านล้านสุริยะจั ก, กรวานคําว่าล้านล้านก็คือไม่ได้นับเลยนับไม่ท่วนที่พูดว่านับไม่ท่วนเนี่ยคือจุลนีสูตรโลกที่มีมีโลกอยู่เนี่ยเป็นล้านล้านสุริยะจั ก, กรวานอันนี้พระเจ้าตรัสไว้ 2,000 กว่าปีแล้วแล้วถามว่าวิทยาศาสตร์สมัยนี้ว่าอย่างไรปรเด็นที่ที่ที่จะขบวดนะหนึ่งฝ่ายอื่นที่ขัดแย้งกับเราบอกว่าโลกมันก็จะมีเริ่มต้นแล้วก็มีผู้สร้างพระเจ้าบอกว่าโลกก็มีเริ่มต้นแต่ไม่มีผู้สร้างไม่ได้บอกว่าไม่มีเริ่มต้นจักรวาลเนี่ยมีเริ่มต้น และมันก็ดับดับไปสูส่ท่าเดินแล้วมันก็เกิดหมายอีกมันเป็นวัฏจักรนี่คือพุทธศาสนาแล้วมีจํานวนเป็นแสนละแสนโกดจักรวาลคือเป็นละละ้านจักรวาลเยอะมากคําว่าจักรวาลที่นี่คือสุริยจักรวาลอ่าทีนี้มันจึงเกิดจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาอันนี้สําหรับพวกเราที่ที่เรียนมหาจุฬาต้องเข้าใจก่อนก่อนที่จะเทียบคําว่า cosmology ของของของวิทยาศาสตร์หนังสือใจผุ่มพะร่วงเนี่ยได้ศึกษาพระใจปีโดคัมภีร์ต่างๆแล้วสรุปเป็นจักรวาลวิยทย า, วาวยาของคนไทยแต่โบราณจักรวาลวิทยาของคนไทยแต่โบราณเนี่ยอยู่เป็นอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่มแรกของของประเทศไทยก็คือใจผุ่มพะร่วงซึ่งแต่งในพศ หนึ่งแปดหกสี่โดยพระยาลีไทยเอาจากคำสอนในภาษาบาลีมาแปลแล้วก็แบบทาวิจัยอนะแต่ทีนี้ใรภูมิ พ, พระล่วงเนี่ยมีอิทธิพลมากกวเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหนังสือใบลานอย่างเดียวคนเอาภาพจั ก, กรวาลที่อยู่ในใจภูมิพระล่วงเนี่ยมาวาดตามฝาผนังโบสถ์วาดให้เราเห็นเลย แล้วคนโบราณเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยจักรวาลในในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้อ่ะลองให้คนรุ่นนี้ดูมาไปตามโบสถเนี่ยถ้าไปเห็นภาพใจพรมเิเลยนะโบสถโบราณเนี่ยนี่ดูออกไหมเอ อ, อบอกดูไม่รู้เรื่องเออเห็นไหม โยมบอกดูรู้เรื่องอยมช่วยหน่อยเป็นยังไงช่วยพระหน่อยพระพระเกิดไม่ทันพระล่วกเห็นไหมเราเนี่ยเฝ้าโบูเฝ้าวัดอยู่มันจะต้องดูออกอธิบายได้นี่ก็คือที่เรียกว่าบุรณาการพุทกศาสน า, ส, าสมัยใหม่พระพุทธศสาสนาซึ่งมีจั ก, กรวาลวิทยาของตัวเอง แล้วอธิบายให้เชื่อมโยงกับจักรวาลวิทยาของวิทยาศาสตร์ทำยังไงเอาท่านดูออกดูยังไงอ่ะช่วยหน่อยหรือดูว่ามันเป็นสีอะไรกระผมอมอธิบายให้ฟังนะอันเนี้ยเขาเรียกภาพใตภูมิเป็นแท่งแท่ ง, เ, เ, ทงเออคื อ, อยังไง อันนี้ใครก็ดูออกว่าเป็นแท่งอย่าง น, นั้นเนออนนเอานี้นะสุคือจักรวาลในเดี๋ยวค่อ ย, ยกลับมาดูนะเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้มันจะเข้าใจยากแต่เนี้ยคือของแท้เลยพ่ว่าตามบทแต่สมัยนี้เนี่ยเขามาวาดด้วยกราฟิกให้เราเห็นอย่างนี้นี่คือจะถอดจากอันนี้นะ ให้มาดูเป็นอันนี้เออเข้าใจยังนี่ยังไงคือจั ก, กรวาลในสมัยในในพุทธศาสนาแต่เดิมเนี่ยในเอาเรียกว่าใน ใ, น ใ, นในกภูมิกันล้วกันโลกกลมโลกกลมนะแต่กลมแบบจานไม่ใช่กลมแบบลูกบอลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกพุทธศาสนาสอนว่าโลกกลมมันถูกครึ่งหนึ่งเพราะโลกจริงๆมันกลมแบบไข่ใช่ไหม แต่นี่เรากลมแบบจานนี่นี่คือกลมแบบนี้เห็นไหมเนี่ยจานกลมแต่มันเป็นแผ่นโลกแบนนะแบนแต่ว่าไอ้ความแบนเนี่ยมันกลมถ้าลองคิดสิมันแมนเหมือนจานจานลอยอยู่ในน้ําเนี่ยตรงกลางนี่สูงสุดเหมือนกระทงอ่ะไอที่ปักทูปปักเทียนะนะนั่นแหะนั่นแหะเรียนแบบจักรวาลพิทยานะ ตรงกลางเนี่ยคือเขาภูเขาที่เป็นแกนกลางจักรวาลสูงที่สุดเรียกว่าเขาพะสุเมนเขาพะสุเมนนะสูงที่สุดเขาพะสุเมนเนี่ยมันจะมีเขาล้อมรอบเจ็ดเขาด้วยกันเป็นทิวเขาล้อมเลยนะเหมือนกำแพงเนี่ยเขาเรียกว่าสัตตบริพันสัตตบริพันแปลว่าเทือกเขาเจ็ดเขาล้อมเขาพะสุเมนอีกทีหนึ่ง แล้วระหว่างเขาพสัสดุเมนกับเขาสัตตะบริพันธ์เนี่ยมันจะมีแม่น้ําอยู่เรียกว่านัทีสีทันดรเออนทีสีทันดอนไอ้นัทีสีธันดอนอยู่ตรงไหนนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้ไ น, นี่นี่เนี่ยอยู่ช่องเนี่ยนั้เจ็ช่องเนี่ยนทีสีทันดรทีนี้เมื่อเมื่อเขาพสัสดุเมนเป็นแกนกลางใช่ไหมด้านใต้ของ ด้านทางฝ่ายเราเนี่ยนะคือชมพูทวีปคืออินเดียโลกในสมัยโบราณเนี่ยด้านใต้ของของเขาพุตเมรเนี่ยเป็นที่พระเจ้าอยู่ชมพูทวีป ด, ด้านตรงข้ามก็คืออุตตรกุรุทวีปที่พระเจ้าไปบินธบาตนะ์อ่ะตอนตอนไปอยู่ดาวดึงเนี่ยไปบินธบาต์ตอุตรกุรุทวีปนะอาหารอร่อยกว่าด้วยน่าจะมีพิซซ่า นึกแล้วหแล้วแล้วพระพระพระพุทธเจ้าไปแสดงอภิธรรมที่อุตรที่สวัสชัดาวดึงลงมาบินธบาทฉันพระทหาที่อุตรประเทศทวีปพระสารีบุตรไปพบที่นั่นก็เรียนอภิธรรมมาไงอ่าอู้ถ้าเราสอนนักเรียนอย่างแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายนะท่านนะแต่ทีนี้มันอยู่ตรงไหนมึนหมดบนใช่ไหมแล้วคุณเจ้าเนี่ยเรานึกถึงตอนเราเรียนนีอ่ะ พอในด้านซ้ายมือของเรานี้อมรักโคยานทวีปแต่ละทวีปไม่รู้กันนะแล้วด้านนี้เป็นภพ ว, ภวิถีห่ทวีปมันมีสี่ทวีปท่านนึกออกนะมีสี่ทวีปก่อนแล้วมีพระจันทร์พระอาทิตย์โครจร น, นี่ไงนี่พระอาทิตย์เห็นไหมนี่พระจันทร์สแสดงว่าพระอาทิตย์มันยังโครจรรอบโลกนะโครจรรอบโลก อ่ะแล้วขอบของจั ก, กรวาลเนี่ยเป็นภูเขาเรียกว่าเขาจั ก, กรวาลเหมือนกับกำแพงล้อมเวลาเราเรียนเรื่องออในในรัฐศาสตร์เนี่ย <c oughs> เราเรียนเรื่องทศพิษราชธรรมทศพิษราชธรรมเนี่ยมันเป็นแค่เขาเรียกว่าชาดกเล็กๆส่วนนหังสืชาดก แต่มาสอนกันในสยามในพม่าในลาวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นลาวเพราะไปเป็นกฎนะเป็นกฎหมายให้กรรษัตริย์ทุกพระองค์ต้องมีทศพิษราชธรรมกฎกฎหมายนั้นนะ เ, เราเรียกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งว่ากฎหมายตราสามดวง ก่อนในสมัยอายุทยาเขาไม่เรียกกฎหมายตราสามดวงเขาเรียกอะไรอโ อ, โอเรียนรัศสาราาาไม่ได้เรียนนิติาศาสตร์จะแล้วโอสอนผิดที่คือกฎหมายตราสามดวงเนี่ย แปลมาจากภาษาบาลนะีในสมัยอยุธยาเป็นกฎหมายที่พระเจ้าแผ่นดินต้องปฏิบัติตามเนะนะขาเรียกอะไร <c oughs> เวลาเวลาเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยจะต้องเปิดคำพีนะอันเะนี้ยคืออ่า ในในบทนำเนี่ย เ, เราเรียกเราเรียกว่าเป็น เ, เป็นกฎหมายที่มนุธรรมศาสตร์าศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาบัญญัติของเขาในอินเดียเป็นศาสนาพราหมณ์มอนกับสยามเนี่ยมาแปลงเป็นพุทธ แผนที่จะให้กษัตริย์ปฏิบัติตามวันพระรามรวันพระกษัตริย์นะเราปรับใหม่เป็นทศพิธเจตธรรมซะทั้งมอญทั้งทั้งไทยพม่าเนี่ยแล้วเขียนแล้วเขาก็เขียนเขียนไว้ว่ากฎหมายนี้เรียกว่าพระธรรมศาสตร์คำพิพระธรรมศาสตร์แล้วตอนหลังมาแปลเป็นกฎหมายตราสามดวง น, นั่นแหลอันเดียวกันนี่ยโดยผู้ค้นพบเนี่ยชื่อมนุ ไปพบอยู่ที่เขาจักรวาล น, นี่พระโพธิสัตว์ท่านไปพบจารึกไว้ที่เขาจักรวาลแล้วเอามาสอนพระเจ้าแผ่นดินจึงเป็นกมายปกครองบ้านเมืองตั้งแต่อยุธยาสุขโขทัยยุทยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเ <ientras> <Kingdom. S 2> ขาจักรวาลอันนี้อ่ะดูภาพนี้ จะเห็นว่านาทีสีทันดรเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างสาตัตตบริพันธ์เขาจะมีชื่อหมด น, นะเขายุคคนทอนอกรวิกอะไรต่างเจ็ดเขาทีนี้ยอดเขาพระสุมเมรเนี่ยเขาว่าถ้าเห็นเป็นอะไรน้ำแหลเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์บนเขาพระสุมเมรเนี่ยถ้าใครไปถึงเนี่ยคือไปอยู่กับพระอินทร์ ได้ขึ้นสวรรค์ฉะนั้นเวลาเวลาที่คนตายเนี่ยตั้งเป้าไปไหนไปอยู่ <ไป S 1> ดาวกระดึง <ไป S 1> ต้องขึ้นเขาพระสุเม น, เ, เ, นเอาสู่ออกเข้าเมนเออมันไม่โผล่ไปยอดอมันมุดถ้าเป็นพระเจ้าไปเดินเขาเรียกเมรุมา คือรับทอ ง, ทองสรุปแล้วเนี่ยเมนเนี่ยก็คือเป็นทางผ่านคือเขาสสเมศเพื่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงบนสวรรค์ชันช้นดาวดึงจะมีเจดีย์จุฬามณีเก็บพระสาลีกรทาสพระเที่ยวแก้วและผมของพระเจ้าไว้เพราะฉะนั้นเขาจึงให้คนตายเนี่ยมีดอกไม้ใส่มือเพื่อไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณี บนยอดเขาพระสุเมนเพราะอย่างนั้นก็เลยจับใส่เมนเอานะอันนี้คือจักรวาลนิยามของของชาวพุทธ น, นะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูวิทยาศาสตร์นะสรุปนะเพื่อกลับไปดูภาพเมื่อกี้จะมีเขาพระสุเมนอยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วมีเขาสัตตะบริพันธ์เจ็ดเขาล้อมรอบใช่ไหมอย่างนี้ล้อมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีพระอาทิตย์พระจันทร์ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีก ทวีปทั้งสี่านี่ตรงกลางนี่คือเขาพระสุมเมนนี่แหลมๆนี่คือดาวดึงส่วนอันนี้คือสตตรบริพานมีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแลก็มีสวรรค์จาตงาุงอะไรัยแดงอยู่บนยอดทางนี้ก็เจ็ดเพราะว่าเขาวาดโบราณเขาไม่ได้วาดกลมเขาวาดล้อมเพื่อให้เห็นว่ามันกลม ภาพตัดภาพตัดเออตัดคิดเอาเองวาาิทยภาพตัดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเขาพระสุมเมนนั่นแหละแล้วนี่คือเขาสัตตาบริพันธ์ระหว่างนี้คือมณทีสีธันดร น, นี่คือทวีป ท, ทั้งสี่นี่คือพระอาทิตย์นี่คือพระจันทร์ต่อไปนําทัวร์ได้ไอะ ว่ า, วารเรื่อท่า้ค<ะ>วามเห็นวาคุณราารท่านท่านเป็นพรามมาก่อน<ะ>ท่านจบการเพทย์และท่านก็มาเขียนเป็นพุทธ<ะ>แล้วท่านก็ได้เขียนเรื่องนี้ในอัธกถารับ<ะ>ท่านบอกว่าไม่ใช่พุทธแล้วเข้าใจว่ายังไงโอแล้วตกลงถ้าไม่ใช่พุทธแล้วชาวพุทธควรจะเชื่ออะไร นี่คือเออเอ อ, เ อ, อไม่หรือจั ก, กรวาลเนี่ยมันมาจากไหนนี่คือท่าทีทางพุทธศาสนาเราไม่ได้ผูกขาดว่าอันนี้ต้องจริงนี่คือประเด็นที่พูดวันนี้มันเป็นออจั ก, กรวาลวิทยาแบบโบราณจะมาจากไหนก็แล้วตามแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นโลกกัศน์ของคนโบราณ เมื่อการเวลาผ่านไปมันอาจจะเปลี่ยนแต่เราไปบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้นะมันอยู่ในพระคัมภีร์นนะไม่ใช่ท่าทีแบบพระพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามมันต้องเป็นจริงตามนั้นนี่คือท่าทีแบบพุทธศาสนาเหมือนกับที่เราบอกว่าธาตุมันจะต้องมีแค่ซนะีนะแต่เคมีเท่ากันนี้มันขยายไปเท่าไหร่ใช่ไหม เราไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าสอนง ม, มงายนะท่าสีนนะมันเหมือนกับว่าเมื่อจะสอนคนสมัยนู้นต้องเอาเคมีของคนสมัยนู้นมาสอนธรรมะมาประกอบคือพระพุทธเจ้าไปบอกว่าเท่ามีร้อยแปดเนี่ยใครจะฟังเทศอะ่ะเอองัวแต่มานั่งเถียงกันเรื่องท่าไปเถียงกันเรื่องจั ก, กรวาลเรื่องอะไรต่างมันก็จะเหมือนมาลุงไ ก, กยบุตรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกสายไลน์ใช่ไหมเพนแต่เพียงว่า เรา <c oughs> เรียก อ, อะไรไตรภูมิรลวงเนี่ยเอามาสร้างเป็นระบบเป็นโลกกระทันเป็นเวอร์วิวของคนไทย <c oughs> เราก็แค่เข้าใจที่มาที่ไปแต่ไม่ได้ผูกขาดว่านี่คือสัจธรรมนี่คือประเด็นนะที่พูดวันนี้น ะ, ะ <c oughs> แล้วเราอยู่ในบริบทของจิตกรรมฝาผนังเราก็ต้องเข้าใจเพื่ออนุรักษ์มรดกเหล่านั้นไว้มิฉะนั้น จิตกรเวลาวาดภาพสมัยนั้นการที่ก้าเขาจะว่าได้ไงเดี๋ยวนี้เน่ะคุณเฉลิมใช้ใครต่อใครเนี่ยว่าสวยงามมากอันเดียวกันน่นแหละแล้วเราก็มาชื่นชมกันใช่ไหมแต่ไม่ดูเราก็มันอันเดียวกันเน่ะไม่รู้หรอโอ้ยเอามาพิมพ์หนังสืออะไรต่างเนี่ยท่านไม่เห็นเลยอนี่เนี่ยไอเนี่ยนนเป็น แ, <ล>แท่งๆเนี่ยมันคื อ, ม, คอมันก็คือสตตะบริพันธ์อันนี้คือเขาพิสูนและไอที่เห็นนนี่คืออะไรดาวดึง แต่พาธิจ่ายกับพาธารุจุลธรรมเออเออ เ, ออเออป็นทัวรเขาเอง <c oughs> <c oughs> แล้วนี่เห็นไหมเขามีจุฬามณีด้วยเนี่ยเนี่ยเออไพชโยนนี่เใช่หไหมนี่ช้างเอราวัณแล้วเขาก็ไม่บอกด้วยเขามาจากไหนแท้จริงเขาก็เอามาจากของโบราณ น, นั่นแหละแล้วเขาบอาว่าให้เราชื่นชมกันอ่ะมันก็กลายเป็นศิลปะราชการที่เก่ามันก็คือกลับไปสู่รากเหง้าของเราทีนี้ ประเด็นอยู่ตรงนี้อกลับมานะจั ก, กรวาลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรก็ต่างสิ่งที่พุทธศาสนาบอกว่ามันมีมันมีเกิดมีดับมันมีอ น, นิจจังทุกขังอ น, นันตตาแต่ไม่มีครีเอเตอร์ผู้สร้างนี่คือประเด็นศาสนาอื่นบอกว่ามีผู้สร้างศาสนาพราหมณ์กัแล้วกันศาสนาคริสต์ศาสนา伊斯าห์แบบมีผู้สร้างหมดแต่พุทธศาสนาบอกว่าไม่มีผู้สร้าง เอาเอาเป็นว่าสามต่อหนึ่งเนี่ยเราจะเชื่อใครเราก็ต้องหาตัวช่วยลราทีนี้ตัวช่วยคือวิทยาศาสตร์ตกลงวิทยาศาสตร์มองเรื่องนี้อย่างไรมี first cost เป็นพระเจ้าไหมเราอยู่ในยุกวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเอาวิทยาศาสตร์มาอ้างเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยและไม่ต้องบอกศาสนาเป็นเสียงข้างน้อยอะไรแต่วิทยาศาสตร์เขาว่าไงเพราะศาสนาอื่นเนี่ย มีพระเจ้าคู้สร้างหมดมีแต่พุทธไม่มีแล้ววิทยาศาสตร์ว่าไงเอามาดูวิทยาศาสตร์บังวิทยาศาสตร์ถือว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นนะเมื่อหนึ่งมื่นสี่พันล้านปีมาแล้วเขาวัดได้ด้วยเกิดทันไหมหมื่นสี่พันล้านปีเกิด จักรวาลคำว่าจักรวาล น, นะที่นี้คือยูนิเวอร์สนะไม่ใช่สุริยะจักรวาล น, นะแสนโกดจักรวานนลนั่นแหละเกิดแสนโกดจักรวาลขึ้นมาโดยการระเบิดครั้งใหญ่เรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงระเบิดตุ้มทนีนี้การระเบิดครั้งนั้นเนี่ยนะวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นต้นกําเนิดนี่มันเล็กมากเล็กเท่ากับอะตอม แต่เวลามันระเบิดที่มันกลายเป็นจักรวาลทุกวันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นิยายนะวิทยาศาสตร์นะพยายามเข้าใจว่าทําไมก่อนมันระเบิดออกมามาเป็นโลกเราเนี่ยเชื่อไหมก่อนที่มาเป็นโลกยังเป็นตัวท่านเนยะไอ้ไอ้กระป๋ออันแรกเนี่ยเล็กทัางอะตอมแต่อะตอมนั้นมันระเบิดตุ้มมาเป็นสรรพสิ่งในจักรวาลพูดเหมือนนิยายแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะ ทำไมเป็นอย่างนั้นเราดูแล้วคำถามก่อนที่มันจะระเบิดออกมานั้นมี first cause ไหมมีพระเจ้าผู้สร้างไหมออหลักฐานนะที่บอกว่ามีการระเบิดทั้งใหญ่เนี่ยมาจากคนชื่อฮับบลเนี่ยในปี1929เนี่ยเป็นคนค้นพบ โดยสองกล้องเนี่ยนะว่าจั ก, กรวาลเนี่ยมันกำลังขยายตัวนี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่ยืนยันเรื่องบิ๊กแบงทำไมนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้จึงเชื่อเรื่องการระเบิดทั้งใหญ่เพราะมีเหตุผลอย่างน้อยสองเรื่องนี่เรื่องที่หนึ่งมีหลักฐานดีวกว่าวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้มอเอ โดยฮับโบวเดี๋ยวนี้ก็ยังมีไ อ, ไอ้กล้องฮับโบวนะแนอาวอากาศเนี่ยแต่ว่าชื่อเป็นเกียรติของคนนี้คนนี้เนี่ยเป็นคนตั้งทฤษฎีเรื่องจั ก, กรวาลกำลังขยายตัวขยายตัวยังไงคือเมื่อเขาส่องกล้องดูไปบนท้องฟ้าเนี่ยไอ้กาล็กซี่ต่างๆดวงดาวต่างๆนี่มันวิ่งหนีจากกันหนีจากแกนกลางเขาเรียกว่า expanding มันหนีจากศูนย์กลางแสดงว่าอะไร มันระเบิดแล้วมันยังยังยังวิ่งไม่หยุดอ่ะยังวิ่งไม่หยุดแสดงว่ามันจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่มันก่อนแต่ก่อนมันรวมกันถูกไหมที่ศูนย์กลางแล้วหลังจากระเบิดแล้วมันก็วิ่งหนีห่างจากกันจากกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจักระวานี่มันขยายไปเรื่อยออกจากแกงต่างนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่แสดงว่าต้องมีบิ๊กแบงจึงเป็นเหตุให้จักระวานเนี่ยมันแยกย้ายไปคนละทาง เรื่องที่สองที่ทำให้คำนวณอายุจั ก, กรวาลได้นพล้านปีมาจากอันนี้ cosmic microwave background เาเรียกว่า CMB เนี่ยโดยมีการค้นพบเป็นลังสีอิเล็กโทรแมกนิโตนิกไอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในจั ก, กรวาลเนี่ยนะอยู่ในขั้นไมโครเวฟ นักวิทยาศาสตร์เขาไปนค้นพบในจักรวาลเนี่ยระหว่างระหว่างแกแล็กซี่นะระหว่างดวงดาวสูมว่าพระอาทิตย์ในช่องว่างเนี่ยมันมีคลื่นลังสีซึ่งไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ไม่ได้มาจากจั ก, กรวาลไหนเลยมันลอยอยู่ระหว่างต่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร มันเป็นเศษซากของคลื่นรังสีที่ตกค้างมาจากการระเบิดครั้งใหญ่เขาสามารถวัดอายุรังสีพวกนี้ได้รังสีพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อจั ก, กรวาลเนี่ยอายุได้สามแสนแปดหมื่นปีจากสิบสี่พันล้านเนี่ย1มื0 0สี่พันล้านเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอไอมโครเวฟพวกเนี้ย มันมีอายุย้อนไปเนี่ยเกือบมื่นสี่พันล้านปีเขาดูจากแรงสีนี้แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไราเมื่อจั ก, กรวาลระเบิดออกมาได้สามแสนแปดหมื่นปีคนที่ค้นพบได้รางวัลโนเบลด้วยในปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเขาจึงบอกว่า ไอ้ CMB นี่แหละยืนยันเรื่อง Big Bang Theory อย่างสำคัญอันนี้พูดสรุปสรุปให้ฟังนะเพราะจะต้องไปเรื่องอื่นก็สรุปว่าเดี๋ยวนี้ทฤษฎีอื่นเนี่ยชิดซ้ายหมดแล้วว่าจักรจักรวันมาจากไหนเนี่ยเพราะหลักฐานสองเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะ CMB นี่แหละทำให้คำนวณอายุจักรกวานได้ผู้ค้นพบได้รางวัลโนเบลไป เอาแค่นี้ทีนี้จากจุดนี้นะมาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาละสรุปที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะจั ก, กรวาลวิทยาในพุทธศาสนานี่มีจุดเริ่มต้นใช่ัหมแต่ไม่มีผู้สร้างโลกในศาสนาอื่นมีผู้สร้างในทางวิทยาศาสตร์โลกมีจุดเริ่มต้น เหมือนพุทธศาสนาตัวไหนไม่มีผู้สร้างนะไม่มีผู้สร้างแล้ววิทยาศาสตร์เขาอธิบายอย่างไรเรามาบอกว่าโลกไม่มีผู้สร้างเราอธิบายตามวิทยาศาสตร์ได้เพราะไม่ได้ผูกขาดถ้ามันจริงเราก็มาใช้ได้จั ก, กรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไรในมุมมองของวิทยาศาสตร์ครับนะให้ดูเรื่องล่าสุด ปี2010แปดปีแล้วไทเมกซีนผ่าหัวฮอคคิงกล่าวว่า God did not create universe พระเจ้าไม่ได้สร้างจักรวาลตอนนี้เนี่ยเป็นอิชชูใหญ่ของโลกตะวันตกในยุโรปในอเมริกา กำลังอภิปรายกันเรื่องนี้โดยที่ประเทศไทยไม่ได้รู้เรื่องเลยทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นประโยชน์กับพวกเราโดยเขาเริ่มคำคว่าฮ อ, อ, อ, อคิงคือใครรู้ไหมะตายเมื่อปีนี้รู้แค่นั้นเขา คำว่าฮอคิงเนี่ยเป็นคนที่โลกยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ต่อจากไอสไตน์มันมีตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่คนทางคณิตศาสตร์ที่คนถือตำแหน่งนี้คนแรกคือไอแซกนิวตันแล้วเขาไม่ตั้งใครเลยแล้วมาตั้งคนที่สองคือสตีเฟนฮอคิง ถือว่าเป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ในรุ่นของเราเนี่ยเขาเขียนหนังสือนะที่ทําให้เขาโด่งดังเนี่ยนะในโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยใครอ่านทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอน์สไตน์ไม่รู้เรื่องแบล็กโควไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาเขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง หนังสือวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนเนี่ยขายดีที่สุดในโลกชื่อ A Brief History of Time ขายได้สิบล้านสิบล้านเล่มทั่วโลกสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยนะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ยากมากวิานพนที่เขาทำตอนปริญญาเอกอะ่ะที่แคมบริจเนี่ยทำเรื่อง black hole ลุมดำมีคนเข้าไปอ่าน ในอาคาท์ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์สองล้านมากที่สุดในบรรดาวิทยนิพนธ์ที่คนเข้าไปอ่านและคนคนนี้ประกาศว่าจักรวาลมันเริ่มต้นเองโดยไม่มีพระเจ้าสร้างโลกพาดหัวหนังสือผิดและ หนังสือเล่มสุดท้ายที่เขาเขียนชื่อ Brief Answer to the Big Question เนี่ยสตีเฟนฮัคกิงเนี่ยเพิ่งตีพิมพ์ในปีนี้พูดเรื่องนี้เรื่องพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกเนี่ยไม่มีพระเจ้าสร้างโลกไว้อย่างละเอียดเล่มนี้อ่านยากเ <Yeah. S 1> ออให้ดูเป็นขันตา <laughs> นี่ไปบริการเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเลยซื้อมาอ่าน มันเป็นดีเบตทั่วโลก CNN BBC เอาความคิดเขาไปขยายยิ่งเขาพูดเรายิ่งสบายเพียงแต่ให้รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเออใช่ไหมอ่าผมจะพูดให้ฟังนี่เอามาจากหนังสือเล่มนี้สรุปประโยคนี้ หน้าสาเขาบอกว่าคนต้องการคำตอบคำถามที่สำคัญเช่นทำไมเราจึงเกิดมาอยู่ที่นี่คนทั้งหลายไม่ได้คาดว่าคำตอบมันจะง่ายเพราะฉะนั้นจึงพร้อมที่จะตอบโต้เถียงกัน เมื่อคนทั้งหลายถามข้าพเจ้าว่าพระเจ้าสร้างจักรวาล น, นี้หรือไม่ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่าคำถามนี้ไม่มีมันไร้สาระเวลาไม่ได้มีอยู่ก่อนบ i g Bang ดังนั้น จึงไม่มีเวลาที่พระเจ้าจะสร้างจั ก, กรวาลแค่นี้เขาบอกว่า time didn't exist before the big bang so there is no time for God to make the universe นี่คือประโยคสำคัญเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่กระเทือนเพราะว่า เวลาอธิบายเนี่ยเราไปใช้ฟิสิกส์ของนิวตันเขาเรียกคลาสสิคอลฟิสิกส์อธิบายเรื่องโลกและจักรวาลแต่สตีเฟนฮอว k กิงเขาไม่ใช้คลาสสิคอลฟิสิกส์อธิบายเรื่องนี้เขาใช้ควอนตัมฟิสิกส์อธิบายเรื่องนี้มันจึงมีพลังมหาศาล น่าเสียดายว่าเราเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเราไม่เข้าใจคนทาฟิสิกส์เดี๋ยวจะพยายามสรุปให้ฟังคนก็เลยไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมแต่มันอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ออกทีวีออก CNN เน อ, อกเอางี้เขาสรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะพยายามจะพูดในในมุมมองของเขาเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ยนะมันมีส่วนประกอบเวลาสร้างโลกขึ้นมาบิ๊กแบงกะต่ มันจะมีส่วนประกอบอยู่สามอย่างมันถึงจะมีโลกและจั ก, กรวาลอย่างที่หนึ่งคือสะสาะรอย่างที่สองคือพลังงานอย่างที่สามต้องมีสเป e ที่ว่างไม่งั้นโลกมันจะไปอยู่ตรงไหนจั ก, กรวาลมีอยู่ตรงไหนมันมีแค่สามอย่างหนึ่งสสารกินที่สองพลังงานและสามอาวกาศที่ว่าง สมัยไอแซคนิวตั้นเนี่ยสามอย่างนี่มันแยกกันเพราะฉะนั้นสสารมันก็มีที่อยู่มี Energy มีพลังงานอยู่ในเพราะมันจึงสามารถมี First c o u ร์มาจัด ก, การให้เกิดโลกนี้ใน Classical Physics แต่ใน m มเด r n Physics มันเปลี่ยน Physics มันจะมี2 ส, สองอย่าง ในโมเดิร์นฟิสิกส์เนี่ยมันต่างจากไอแซคนิวตันโมเดิร์นฟิสิกส์มันจะมีเมื่อหนึ่งร้อปีที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งันเ้าร้อยมามีการค้นพบทฤษฎีสัมพัท์ของไอน์สไตน์แล้วมีการค้นพบว่าอะตอมมันแบ่งแยกได้เป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนปูตอน มันพัฒนามาเป็นควอนตัมเทอรีเวลาที่สตีเฟนฮอว์ิงเขาพูดถึงกำเนิดจักรวาลเขาไม่ได้ใช้คลาสสิกฟิสิกส์มันเขาใช้โมเดิร์นฟิสิกส์เขาใช้ใชทฤษฎีสัมพัทธ์ใช้ควอนตัมฟิสิกส์ตอบเรื่องนี้มันจึงมีพลังมหาศาลเดี๋ยวค่อยมาเรื่องนี้นะ เขาพูดว่ายังไงก่อนกลับไปกลับไปเรื่องนี้นะเขาบอกว่าตอนบิ๊กแบงเนี่ยการระเบิดครั้งใหญ่เขาเอาทฤษฎีสัมพัทมาอธิบายนี่คือสมการของทฤษฎีสัมพัทธ์ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองจำอย่างเดียวนะสรุปจากสม ก, การของไอน์สไตน์เนี่ยเราไม่ต้องไปพิสูจน์แต่มันสรุปได้ว่า e เท่ากับอินพลังงานพลังงานเท่ากับมวลสาร mass ที่เคลื่อนที่ด้วยความไวกว่าแสงยกกำลังสองก็หมายความว่า ตัวพลังงานเนี่ยนะกับมวลสารถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความไวกว่าแสงมันก็กลายเป็นพลังงานนั่นแหละในสมการของไอน์สนหมายความว่าไอตัวส า, สารไม่มีส า, สารเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความไวกว่าแสงยกกำลังสองมันจะกลายเป็นพลังงานหมดฉะนั้นที่พูดว่าที่พูดว่า ส่วนประกอบของจักรวาลมีสองอย่างเนี่ยมันเหลืออย่างเดียวถูกไหมเมตเตอร์ไม่มีแล้วตามทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอน์สไตน์เนี่ยมสหรือเมตเตอร์สาสารเนี่ยโดยแก่นของมันเนี่ยมันคือปรมาณูอะตมอมอะตอมมันเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยมันก็คือสสารสสารก็คือพลังงานเพราะฉะนั้นที่แยก ว่าจักรวาลมีสองอย่างเนะี่ยมีสาสารกับมีพลังงานทฤษฎีสัสมพัท์บอกเหลืออย่างเดียวคือ Energy Energy เนี่ยมันทำงานอย่างไรมันถึงเกิด Big Bang มันเป็น q วัญตั้ม e ม h a n เนีสเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะสรุปให้ฟังก่อน การทำงานที่ทำให้ไอ้ไอ้ก่อนที่มันระเบิดเนี่ยเล็กเข้าอะตอมเนี่ยตามตามที่สเปนฮอวกิงพูดเนี่ยนะเขาเอาควอนตัมแมกนาอิกส์คือฟิสิกควอนตัมมาอธิบายฟิสิกควอนตัมมาอธิบายยังไงก็หมายความว่าพลังงานอย่างเดียวเนี่ย มันไม่ใช่สารลวนะมันทำปฏิกิริยาต่อกันเพราะมันเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนถูกไหมเพราะจากนั้นมันไม่อยู่นิ่งมันมันโคจรเดี๋ยวให้ดูภาพเนี่ยสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยมันมันไม่เคยอยู่นิ่งเลยมันมันมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งวนนิวเคลียสคือโปรตอนกับนิวตรอน จากกวางทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่ออ e ิเล็กตรอนมันวิ่งมากๆเข้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีปฏิกิริยาต่อกันคำว่าปฏิกิริยาต่อกันเนี่ยเขาใช้ทฤษฎี l a ล k ก o ฮลทฤษฎี l a c k ก o ฮลก็คือหลุมดำตรงนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะ ไอ้ตัวที่มันเล็กกว่าอะตอมที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลเนี่ยมันหดตัวเข้ามาโดยปริตรยาของควอนตัมเมคานิกส์เหมือนกรณีเดียวกับหลุมดำไอ้หลุมดำทุก่นนี่เราเริ่มเข้าใจแล้วแบล็คโฮด้วยนะหลุมดำเกิดขึ้นในทั่วไปเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เนี่ยเวลามันระเบิดใช่หมมันหดตัว มันหดตัวจนเหลือเล็กที่สุดเลยแล้วเวลามันหดตัวเนี่ยมันเกิดช่องว่างมันเป็นสญิากาศมันดูดเอาสรารสิ่งเข้าไปไปอยู่ในหลุมดํานั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วดูนะดูภาพยนตร์ก็ก็จะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมันหดตัวเนี่ยมันดูดมันดึงดูดเอาสรารสิ่งเข้าไปไปรวมอยู่ในหลุมดําเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลมันคล้ายหลุมดํา มันเกิดสภาวะที่สรรพสิ่งเนี่ยมันหดตัวมันดูดเข้าไปรวมกันอยู่เหมือนกับเปาะฟองไข่เล็กของจักรวาลมันเล็กเท่ากับอะตอมเนี่ยแต่ว่ามันเข้มข้นถึงขนาดว่าเอาเหมือนกับหลุมดํามันดึงดูดพระอาทิตย์ไป็นดวงเข้าไปนะเราลึกออกเลในภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันเพราะมันดูดเอาพวกอะตอมพวกพลังงานทั้งหมดไปรวมอยู่นั้นเนี่ยเราเรียกหลุมดําเพราะอะไรเพราะ นาฬิกาเนี่ยนะสมมุติว่ามันเข้าไปในหลุมดำเนี่ยนะตอนที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันยังเป็นนาฬิกาอยู่พอใกล้เข้าไปมันจะหมุนช้าลงช้าลงช้าลงจนเข้าไปในหลุมดำแล้วมันจะหยุดเลยไม่ใช่นาฬิกาเสียแต่เพราะในหลุมดำไม่มีเวลาไม่มีไทไม่มีแสง เ้วเพราะแม้กระทั่งแสงเมื่อเข้าไปในหลุมดำเนี่ยมันจะถูกบีบจกนกระทั่งหมดสภาวะของแสงเมื่อไม่มีแสงมันจึงไม่รู้ได้เลยว่ามันเป็นอะไรเขาเรียก Black Hole มันเป็นหลุมดำและหลุมดำที่ใหญ่ ท, ที่ที่ว่าที่ว่ารวมมาซับรึ้งน่นเนี่ยมันเป็นมันคือจุดเริ่มต้นของ Big b แบงพอมันรวมเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหม มันระเบิดออกมาโดยเป็นกิริยาทางขอนต่ำแมคานิกนี่แหละที่มันหมุนๆๆมันระเบิดออกมาเวลาระเบิดมันเป็นอะไรมันเป็นพลังงานหมดร้อนมากๆผ่านไปสามแสนแปดหมืนปีมันจึงเหลือไอ้ไมโครเวฟไงนั่นแหละให้พอให้ให้เฟรชได้แต่พวกนี้เนี่ยมันในสุดเนี่ยเมื่อมันเย็นลงมันจะรวมตัวพลังงานจะรวมตัวมันก็กลายเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นโลกเป็นจักรวาลอย่างที่เราเห็น แล้วมันก็วิ่งหนีจากกันประเรียนอยู่ตรงนี้กลับไปอ่านอนะันนี้อีกทีเมื่อจั ก, กรวาลเนี่ยมันเหมือนกับหลุมดำเลยนะแล้วก่อแล้วก่อนจะระเบิดเนี่ยในหลุมดำไม่มีการเวลาโน้ตัยเมื่อไม่มีการเวลามันก็ไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรหลัง แล้วจะมี first cause มาก่อนมามีพระเจ้าได้อย่างไรไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆเขาจึงบอกว่า time didn't exist before the big bang so there is no time for God to make the universe in ไม่มีที่ให้พระเจ้าเลยเถริ๊้ เป็นเรื่องใหญ่แล้วสีนี้พลาดหัวเลยนะไม่มีที่ให้พระเจ้าไม่มีกาละไม่มีเวล า, าลที่รถเข็นที่นั่งรถเข็นแล้วพูดไม่ได้แล้วมันใช้ไอ้เสียงสังเคราะห์อ่ะตามอยู่ใช่ไหมสตีเฟนพอคิงนี่แหละคนนี้แหละที่กำลังพูดถึง เนี่ยชื่อเขาชื่อคนนี้เลยนะนี่แหละไปอ่านงานเขาทีนี้กลับมาประเด็นเรื่องว่าเมื่อตกลงไม่มีผู้สร้างเลยนะอธิบายโดยวิทยาศาสตร์เลยทีนี้แล้วเวลาจะเขียนเขาต้องไปเขียนทางวิทยาศาสตร์สิทฤษฎีทางอการนิสิตไม่มีใครเขียนเขาได้แล้วเขาก็ตายไปแล้วเขียนได้เขียงได้นะอ้าว อ่ะประเด็นที่เทียบกับทางศาสนานตอนที่มันรวมเป็นหลุมดำเข้มข้นสุดเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียก Singularity Singularity เนี่หมายถึงว่าเป็นหนึ่งเท่านั้ น, นมันไม่แยกไม่มีเขาไม่มีเรามันเหมือนอะตอมเดียวทา น, นก่อนที่จะมันแตกเป็นจักรวาลเนี่ยเพราะฉะนั้นในจุดนั้นเนี่ยมันรวมทั้งแมสทั้งแรงดึงดูด เข้มข้นมากจนแยกไม่ออกเหมือนกับแบล็คโฮลเลยแหละเหมือนกับหลุมดำตอนที่จะเกิดบิ๊กแบงเนี่ยเขาเรียกซิง g ก l ล r ลอริตี้ในซิง g ก l ล r ลอริตี้เนี่ยมันไม่มีเวลาไม่มีการเวลาไม่มีการแบ่งแยกมันเป็นพลังงานล้วนๆมันคือศูนย์จะเวลา เวลาในความหมายก็คือมันจะต้องมีแม้กระทั่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันมันคือการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงในซิงเกิลาริตี้ไม่มีมาไม่มีไปไม่มีนิ่งมันนิ่งสนิทเลยอะ่ะแล้วเราจะวัดยังไงไม่มีการเคลื่อนไหวเลยคือหยุดเวลาที่เราพูดถึงนิพาน โรคนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ไปก็ไม่ใช่มาก็ไม่ใช่หยุดก็ไม่ใช่ไม่มีเวลาอากาลิโกตอบได้เลยว่าเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวคือสิ่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนไหวมันถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีเวลาและเวลาในตัวเองมันไม่มีไอสไตล์บอกว่ามันเป็นสัมพัทธ์กาละกเทสะสเปซนทไทม์มันจะต้องสัมพันธ์กัน เวลาไม่มีในตัวมันเอามีจะไม่ตองาโอ้ไม่รู้ฟังรู้เรื่องกี่คนอนะ่ะไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นเลยนะสรุปแล้วไม่มีผู้สร้างแค่นั้นนะนะเที <c oughs> นี้ <c oughs> เขาบอกว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเขาไม่ได้ปฏิเสธศษษาสนานะในประโยคนี้ <c oughs> เขาไม่ ไม่ได้ปราถนาที่จะออาเฟ้นก็คือไปว่าหลายใครหรือศาสนาใดแต่ข้าพเจ้าคิดว่า science has a more compelling explanation than a divine creator แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันอธิบายเรื่องสร้างโลกได้ดีกว่าพระเจ้าประเด็นของเขาไม่ได้ไปหักล้างศาสนาประเด็นของเขาเพียงแต่ว่า เพียงแต่อาศัยกรอบของวิทยาศาสตร์มันก็อธิบายเรื่องสร้างโลกโดยไม่ต้องไปหา First c ค u ร์สแล้วเขามีเจตนาแค่นี้เป็นกลางคือพูดความจริงความจริงมันจะถูกใจไม่ถูกใจใครอีกเรื่องหนึง่งแต่เมื่อผู้เจ้าบอกว่าใครผู้ความจริงทะเลาะ ก, กับเราไหมไม่ทะเลาะแล้วมันก็เข้ากับเราได้เพราะไม่มีผู้สร้างจริงน่ะ ตามไปอ่านเนาะอ่านเพิ่มเนี่ยเล่นมนี้ฮ ะ, ะ, ะยังไม่มีเพิ่งพิมพ์ปีนี้ฮะต่ายปีนี้เนี่ ย, <c oughs> ยเขาอันนี้เขาเรียกเล่มสุดท้ายในชีวิตเขา f i n น l b บุ๊กอ่ะทีนี้มาประเด็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือที่พูดมาเป็นประเด็นแรกก็คือว่า เราสามารถใช้ประโยชน์จากฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์อะไรต่างมาเสริมบูรณาการเข้ากับคำสอนของเราได้อย่างที่เล่ามาเนี่ยนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองที่ว่าสองพันปีเนี่ยชาวโลกขัดแย้งกับพุทธศาสนาก็คือไอตัวคลาสสิกฟิสิกส์นี่แหละมันขัดแย้งกับเรา ของนิวตันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของฟิสิกร้อย้อยปีที่ผ่านมานี่เขาข้างเราพันสองพันกว่าปีก่อนนั้นเนี่ยอยู่คนละขั้วกับเราขัดแย้งกับเราขัดแย้งยังไงคืออย่างนี้ c l a s s ิคของฟิสิกสเนี่ยเขาถือว่ามันมีอะตอมตั้งแต่สมัยกรีกแล้ว คำกรีกภาษากรีกเนี่ยคำว่าอะตอมแปลว่าอันคัต b l บแบ่งไม่ได้อีกเมื่อเราแบ่งไมโครโฟนไปจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถแบ่งย่อยไปได้อีกนั่นคืออะตอมในทางทฤษฎีและวิทยาศาสตร์ก็เชื่ออย่างนี้มา 2,000 หักว่าปีและคลาสสิกฟิสิกส์นี่เชื่ออะไรอีกเชื่อ scientific determinism แปลสัพพัญญคือนิยัตินิยมทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าวิทยาศาสตร์สามารถพิดิตรได้หมดเลยถ้ารู้เหตุจะสามารถพยากรณ์ผลได้หมดมเหมือนกับตัวแปรทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เราเป็นวิทย์สังคมภาสตรเนี่ยถ้าเราเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ในสังคมได้ถ้าเราใส่เหตุอันนี้เข้าไปใส่ตัวแปรอันนี้เข้าไปเข้าไปมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ เราอยากจะให้เด็กเป็นคนก้าวร้าวเราก็ทําพฤติกรรมก้าวราวใส่เด็กด่ามาเรื่อยๆในทะ่สุดเด็กก็จะก้าวราวอันนี้เป็นเป็นการที่พฤติกรรมนิยมบอกว่าจิตวิยาเป็นศาสตรมันจะต้องมีเหตุมีผลทีนี้มันจึงกลายเป็นไซน์ซิฟิคเดเธอร์มินิซึมไปอะไรๆก็ถูกกําหนดไว้หมดสามารถพยากรณ์ได้แต่พอมาถึง Modern Physics เป็นควอนตัมหนึ่งเรื่องควอนตัมนะเดยวจะอธิบายอันที่สองควอนตัมนี่ตรงกันข้ามกับอะตอมเรื่องควอนตัมเนี่ตรงกันข้ามกับอะตอมและเขาไม่พูดถึง Determinism คือความเที่ยงแท้แน่นอนเขาพูดถึง Uncertainty Principle หลักแห่งความไม่แน่นอนไม่แน่นอนคืออะไรอ่ะนิดจัง ในทุกวันนี้เราอยู่ในยุคแห่งความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์เ็าเรียกว่า uncertainty principle และยุคขวนตั้มก็คือไม่มีอะตอมและผู้สนาสอนไหมอันนี้จังสอนไหมสอนอนุตาไหมสอนหมดเลยครับคืออะไรทีนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่าอะตอมคือเมื่อหนึ่งร้อยปีมาแล้วเนี่ยหลอดลัทธเทอร์ฟอร์ดเนี่ย ได้ใช้ไอกระสุนก็คือแสงเนี่ยนะยิงยิงไปที่นิวเคลียรและมันแตกออกเขาจึงบอกว่าอะตอมเนี่ยแบ่งแยกได้มันก็มันก็เลยตอนหลังก็เลยมาค้นพบอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตรอนเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อเมื่อร้อยปีมาแล้วอะตอมแบ่งแยกได้แล้วเกิดระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูมันก็ตามมาทีนี้ ทุกวันนี้เขาไม่ได้ศึกษาแค่นี้เขาศึกษาว่าโปรโตอนประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนิวตรอนประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างอิเล็กตรอนประกอ บ, กอบมีส่วนประกอบอะไรบ้างการศึกษาโครงสร้างของอะตอมเรียกว่าคลตั้าการศึกษาโครงสร้างของปรมาณูเนี่ยมันเป็นโลก เล็กซอนอยู่ในโลกที่เราเห็นด้วยสายตามันมองไม่เห็นล่ะแล้วพรากฏว่าโลกจั ก, กรวาลที่เราอยู่ที่เราเห็นเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่าคลาสสิกฟิสิกส์อธิบายด้วยกฎแรงนม้น ม, นมถ่วงอะไรต่างเนี่ยอธิบายได้แต่ในโลกของควอนตัมซึ่งเป็นจุดกำเนิดของจั ก, กรวาลมันมีกฎของมันต่างามันเป็นควอนตัมฟิสิกส์เขาเรียกควอนตัมแม c h a นิกส์ การทำงานของมันมันตรงกันข้ามมันไม่ใช่ตรงข้ามมันต่างจากกฎของจักรวาลอ่ะต่างยังไงพอมันเล็กลงไปแล้วเนี่ยนะหนึ่งมันมีความไม่แน่นอนในการพยากรณ์ว่ามันจะอยู่ที่ไหนอย่างไรอันนี้เคยอยู่ตรงนี้มันจะต้องมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เลยนะเขาบอกว่า เวลาที่เอาโปรโตอนหรือโฟตอนในอนุภาคของแสงมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นสองอย่างหนึ่งเป็นพาติโกสองเป็นเวฟพาติโกก็คืออนุภาคแล้วว่ามันกินที่นะมันอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะส่วนเวฟมันเป็นคลื่นนะมันไม่อยู่กับที่นะปรากฏว่าของสิ่งเดียวกันอนุภาคไอ้ไอ้สิ่งที่มันเป็น ไอไอตัวองค์ประกอบของอะตอมเนี่ยมันเป็นทั้งอนุภาคและเป็นคลื่นถ้ามันเป็นอนุภาคมาอยู่ตรงนี้แต่พอมันเป็นคลื่น ม, มันเดี๋ยวมันไปโผล่น่นโผล่นี่ที่เราดูหนังเรื่องควอนตั้มเนี่ยคนมันสามารถจะหายตัวจากตรงนี้ไปอยู่ตรงโู้นเนี่ยไอไอพวกที่พระโมคคลาน่ะย้ายย้ายคนตั้มท่า น, นนะขึ้นไปหอกไปดู <c oughs> เออนั่นแหละไอคว อ, อนตั้มแมนในภาพยนตร์เนี่ย <c oughs> อยู่ยๆ <c oughs> เขาออกมาจากตรงนี้ ถ้าถ้าร่างกายของท่านเป็นอนุภาคท่ากนกำลังนั่งบนเก้ากอีน้นี้พอท่านปฏิบัติกรรมฐานเข้าจตุทฌานมันเป็นเออเป็นเวฟอะสิพอเป็นเวฟเนี่ยส่งคลายส่งคลื่นไปนะไปนั่งอยู่ตรงนู้นองหนึ่งตรงนี้องคหนึ่งเขาเรียกอะไรนะเขาพระพุทธเจ้าแสดงเป็นยมกปฏิหารน่ะยมกปฏิหารเนี่ ย, ย, ม, ยมีสององนอนอยู่บนบ้างเดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยสแสดงในระดับควัญตั้ม ไปอธิบายให้เด็กฟังซะแต่มันจะรู้เรื่องมากแเลยหนแต่ผมเข้าใจนะเออใช้อ้ย ม, มกปฏิหารเนี่ยนะคนต่ำเหือท่านนะเอออธิบายได้ครับอธิบายได้หมไ้ครัอ่าได้หนึ่งคนและ้อ <c oughs> อันยาสีแล้วนะอ <c oughs> เฮ้ยตอนแรกเป็น ไ, ไงออตอนแรกเป็น ไ, ไงตอนแรกปฏิหารที่ว่าอิไปน่ไปนี่ได้จะอธิบายไงไม่รู้ใช่ไหม ด้ตอนนี้ได้เลยแต่ควรนต่ำระดาบควันต้ำเ น, นี่ยมันได้หมดเลยเออ <c oughs> เออเอออ่าอากาเมื่อมี็ อ, อาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีเหมือนเอากาศไม่มีไรเลยเราจะพูดไปแบบคุณยู่ชมจะไม่มีเิเสยงเพราะว่าอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันคลื่นหมายคลื่นนะ้ามันจะมีตัวป่าง แต่อันนี้เราไม่ได้พูดว่าเขามีตัวางแต่มันปลากรดเป็นคลื่นนะไม่ได้บอกว่ามันจะต้องอาศัยมนะีเดียมนะอมันคลลนละมันถ้ามันมีเดียมมันจะกลายเป็นมีอนุภาคนะถูกไหม น, น, นี่นี่ไม่ใช่มันปลากฏอันนี้พอไปไกลได้ก่อนแ้วนี่นะครับจะมีสื่อรับได้อีกถ้าไครขึ้นตรงกันนะครับโอ กํลังคิดไปตรงนั้นคล<ส>ื่นเสมอแล้วเจอกันโอ้โหดีดีๆๆได้แล้วได้แล้วมันมันขึ้นไปยแล้วครับมีเคื่ดีรับมันส่งถึงกันครับขึ้นนะไอ้คลื่นมันจะมีไวเบรชั่นถูกไมไม่ต้องมีตัวการนะถ้าระดับนี้มันไม่ต้องมันไวเบรชั่นเนี่ยเหมือนกับคลื่นเจ็ดคลื่นสมองเนี่ยมันสื่อถึงกันมันได้แล้วนะเพราะว่าทําไมมันถึงได้เพราะว่ามันระดับ ระดับควอนตัมแล้วอธิบายด้วยฟิสิกส์แบบองรวมใหญ่ๆมหาภาคมันอธิบายไม่ได้แต่เรื่องพบรักวิทการทางจิตนี่มันเล็กมันเล็กจนกระทั่งเกือบละเอียดเท่ากับจิตเนี่ยขนาดมองไม่เห็นนี่มันใกล้จะเป็นจิตนะมันเป็นอ n นเ g y น่ะเป็นพลังงานแล้วจิตมันเป็นอะไรพลังงานเห็นเพราะฉะนั้นมันก็แสดงปฏิหารอะไรต่างได้ เดี๋ยวเดีไปต่อนะเดี๋ยวาง่ม า, น, า น, นะครับความความรู้สึกเนี่ยครับทางพุทธศาสนาว่าทไมเาพูดกันเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องการย้ายอธิบายด้วยทฤษฎีนี้อธิบายได้คอนตัมน้มในเข้าใจลแล้วเราต้องรอกี่ปีกว่าจากคนพบคอนตัมนะสองพปีน่ะสมัยพุทธเจ้ามีคอนตัมที่ไหนล่ะมีก็คงจะมีแล้วไม่มีใครอธิบายไงไม่มีใครคน่ไม่มีใครอธิบายแต่ตอนเนี้ย เขาเรียกว่าศาสตร์สมัยใหม่เขาเขามีเขาอธิบายเราก็เชื่อมโยงได้อันนี้คือบุรณาการทีนี้เอามาเนี่ยนี่คือภาพที่เขาทำให้เห็นใช่ไหม เ, อ, อ, เ อ, อตัวเนี่ยสิ่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นทั้งคลื่นทั้งอนุภาคเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ถ้ามันเป็นคลื่นนะมันไปกดหลายๆที่พร้อมกันได้ถ้ามันเป็นอนุภาคมันอยู่ที่เดียวสิ่งเดียวกันเนี่ย อทีนี้มาถึงประเด็นอีกอันหนึ่งแ่ะไอน์สไตน์ไอน์ไอสไตน์เขาอยู่ระหว่างจุดเริ่มต้นเขาเขาอยู่ในจุดเปลี่ยนของคลาสสิกฟิสิกใช่ไหมเขาเกิดเอเขาเขาเขียนทฤษฎีสัมพันธ์ในช่วงเพิ่งเพิ่งผ่านศตวรรษมาเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อในเรื่องภาพรวมของจักรวาลมันต้องมีเป็นเหตุเป็นผลไอนะ์สไตน์เนี่ย แต่เขาก็มาเขียนทฤษฎีสัมพัทธ์ไอท้ทฤษฎีสัมพัทธ์ที่ทำให้สสารคือพลังงานเนี่ยมันก่อให้เกิดการค้นพบควอนตัมฟิสิกส์เพราะฉะนั้นในยุคที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้นักควอนตัมฟิสิกส์มันก็พลู ม, มาเสนอผลงานแล้วบอกว่าจั ก, กรวาลโลกนี้มันมีสองโลกจั ก, กรวาลใหญ่ภาพรวมเขาเรียกแม c โร แล้วก็จักรวาลแบบไมโครก็คือโลกของอะตอมควอนตัมแล้วมันมีกฎสองกฎซ้อนกันอยู่โดยเฉพาะในกฎของควอนตัมเนี่ยมันมี Uncertainty Principle ความไม่แน่นอนซึ่งป e d i c t ไม่ได้ไอน์สไตน์รับไม่ได้ไอน์สไตน์บอกว่าถ้ามันมี Uncertainty Principle หลักของความอันนี้จังกันแล้วกัน Uncertainty ไม่แน่นอนก็คืออะไรอันนี้จัง อนัตตาคืออะไรก็คือไม่มีตัวตนมันเป็นพลังงานหมดมันคืออนัตตาไงนอร์นตอมนะนอรตอมก็คือไม่มีอนาตอมก็คืออนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาเนี่ยมันค้นพบตั้งแต่ตอนเจอนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วอันนั้ น, นเป็นเบียอนัตตาแล้วแต่เรื่องอ น, นิจจ์เนี่ยมาเพิ่มตอนที่ Uncertainty p r i n c i p l e ฟก็คือที่ไอน์สไตน์บอกว่า ถ้าควอนตัมเม่คนิคเป็นจริงนะไม่มีอะไรพยากรณ์ได้เลยเพราะว่ามันไม่แน่นอนดี๋ยไปโพ โ, นโน่นนไปโพล่นี่นะตามวิสัยของผู้มีฤทธิ์น่ะแล้วแต่ใจจะไปไหนแล้วเราจะรู้ว่าถ้าจะไปไหนอะ่ะโลกนี้มันก็มั่วไปหมดพระเจ้าสร้างโลกแบบนั้นไม่ได้พระเจ้าจะต้องสร้างให้มันมีระเบียบ Uncertainty คืออันนี้จังมันไม่มีระเบียบถูกไหมมันไปโพนนโผ น, โนี่เพราะฉะนั้น ไอสไตน์บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกอย่างมีระเบียบไม่ใช่เสี่ยงดวงแบบโยนลูกเตา๋ามันจะออกหนึ่งสามสี่เพราะฉะนั้นไอสไตน์จึงบอกว่า I can never believe that God praise i ล e with วิดเดอะไม่เชื่อควอนตัมฟิสิกก่อนเขาตายเพราะถ้าควอนตัมฟิสิกมีแสดงว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้มาจากเสี่ยงดวงเอา ตามทันไอสไตล์สงสัยั้ยคือเขาอยู่ในโลกของเหตุผลเหมือนกับไ erm อแซคนิวตันดีเทอร์มินิเซอหมือนแล้วอยู่มันมีอันเซอร์เทนตี้ปร i นซิปัขึ้นมาเองเป็นอีกกฎหนึ่งแสดงว่าในฐานะในในฐานะอันนี้จังอย่างเงี้ยเราพยากรณ์ไม่ได้เมื่อพยากรณ์ไม่ได้แล้วจะสร้างจั ก, กรวาลได้ยังไงถ้าเป็นท้าพระเจ้าเป็น first cause ะมะม่วงต้องออกลูกเป็นมะม่วง แมวต้องออกลูกเป็นแมวถ้า uncertainty มาม่วงออกลูกเป็นแมวแมวออกลูกเป็นมะม่วงอุยอย่างนี้เท่ากับพระเจ้าโยนลูกเต๋าแล้วมันจะออกหัวออกก้อยไม่รู้ออสไตน์บอกว่าผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าโยนลูกเตา๋าสรุปนึงคือผมไม่เชื่อเรื่อง uncertainty principle ตอนนั้นมันยังไม่มีการค้นพบแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์องค้นพบแล้วพราะถึงสตเฟนฮอว์คิง เนี่ยคนพิการที่ว่าเนี่ยนึกภาพเขาเขาก็เอามาเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่า โ, โ<อ>เขาบอกว่าเนี่ยไอน์สไตน์ว่ s ส r ร n อง when he said God does not play dice เขาบอกไอน์สไตน์ผิดนี่สตีเฟนฮอว์กิแย้งไอน์สไตน์ ไอ้สายพูดผพดที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้โยนลูกเต๋าเขาบอกว่าฮอว์คิงบอกว่าสตีเฟนฮอว์คิงบอกว่าเมื่อพิจารณา เ, เรื่องหลุมดําตอนที่หลุมดํามันแตกออกมาเป็นจักรวาลเนี่ยไม่เพียงแต่พระเจ้าโยนลูกเต๋อเท่านั้นแต่พระเจ้ายังโยนมั่วจนไปอยู่ในหลุมดําเลยมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยสรุปแล้วคือเขาบอกไม่มีพระเจ้า น, นั่นเองมันขึ้นอยู่กับ ควนตั้มแมชชนิกมันจะทำงานอย่างไรพลังงานมันจะไปทางไหนถ้าพลังงานมาบอกจะไปทางนี้มันก็ไปทางนี้แล้วพลังงานเนี่ยมันมีระเบียบเพราะมันมีการโคจรไงมันไม่ได้มั่วในตัวควนตั้มเนี่ยมันมีกฎของมันกฎในการโคจรกฎในการโคจรเพราะฉะนั้นจักรวาลนี่มันเป็นระเบียบเพราะอัดต้อมันมีระเบียบมันดึงดูดเข้าหากันอิทัิปฏิยตานั่นเอง อีกถ้ยาเบญตาที่จุดเริ่มต้นมันมีระเบียบ ม, มันเอาไปรวมกันเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนมันก็มีระเบียบเอารวมเป็นคนเป็นจังหวะระเบียบระเบียบ ม, มันมาจากกฎของอะตอมนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนมันมีแค่นี้แหละแล้วเพียงแต่ว่าเมื่ออะตอมไปรวมกันมันจะเกิดสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าอะตอมไปรวมเป็นสิ่งอื่นเมื่อมันก็กลายเป็นสิ่งอื่น กฎอิทัพปยาตาเมื่อออต้อมมันรวมเป็นอย่างนี้มันจะเกิดเป็นสุริยะจักรวาลเมื่อมันไปรวมอีกคนละที่มันก็เลยจักรวาลมันก็เลยแตกสลายาลาซึ่งถ้าพระเจ้าเป็นแค่นี้นะคริปก็ไม่ยอม <c oughs> มันจะไปไหว้ทำไมอะไรกันนะก <c oughs> ็มาดวงจันทร์ไหว้ไปทำไมอะนั่นไหมนั่นแหละ ะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยการที่เราเข้าใจเรื่องที่พูดมาเนี่ยไอสไตน์เขายังคล้ายๆกันถ้าเทียบกับสตีเฟนฮอวคกิงเนี่ยนะเขายังโบราณอยู่เขาจึงบอกว่า science without religion is lame religion without science is blind <Okay. S 1> ไอ์สไตน์เขาบอกว่ายังไงเอีย ศาสนากับวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยกันและกันนะแต่สตีเฟนฮอว์ิงนี่ไปไกลเลยปฏิเสธศาสนาคริสต์เลยแต่ออสตายนี่เขายังอยู่ระหว่างสองยุคเขายังบอกว่าศาสนาที่ไม่อวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนาพิการศาสนาที่ไม่มีวิทยาศาสตร์มืดบอดหมายความว่าไงอะอภิปรายหน่อย และักเ ล, ล่ามาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยพูดมาได้เยอะเลือกไอสไตล์เนี่ยท่านี้มาสรุปประเด็นบูรณาการเนี่ยนี่คือบูรณาการ น, นะรนก<ฆ>ะจาฮหาคนสอนไม่ได้นะหสอนไม่ได้ทำไมว่ยางั้หานนไม่ได้หาคนสอนไม่ได้โห้ ไปเรียนกับสตีเฟนฮอว์กิงตายไปแล้วเหรอโอ้ยตายก็ตายก็เลยว้าเปลี่ยนเรองเปลี่ยนภาษาเพราะเราไอยู่อายต์เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งออกนอกประเด็นประเด็นบูรณการเนี่ยคำของไอน์สไตน์เนี่ยเนี่ยคือประโยคนี่คือวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยศาสนาศาสนาก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เพราะถ้าอยู่แยกกันแยกกัน วิทยาศาสตร์ก็ไม่สมบูรณ์มากไม่สมบูรณ์ครับศาสนาถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์ก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องมาเชื่อมกันเชื่อมกันก็คือบูรณาการอั น, นี้เป็นบูรณาการอ่าเขาหมายถึงอะไรอ่ะทีนี้ไอสไตน์หมายถึงอะไรบูรณาการเนี่ยคือสรุปที่พูดมาแหะในด้วยประโยคคําพูดของไอสไตน์ที่ว่าบูรณาการขุนศนากับศาสตร์เล่ามาเนี่ยมามาประโยคนี้ ควรู้ต่อเรืร่องศีลแะถูกต้องอ่าคืออย่างนี้ไอ้สายเขามองอย่างนี้นะคือเขามองแบบแบบในโลกเขาอยู่ในโลกศาสนาคริสต์เขาบอกว่าศาสนาเนี่ยไอ้เลลิชเลลเนนี่ยนะศาสนาเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยนะเอาศาสนาคริสต์ก็แล้วกันพยายามสอนเรื่องสัจธรรม โลกมาจากไหนจากวานมาอย่างไงมั่วมั่วนะมันจะต้องเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เราเมื่อกี้มาประกอบด้วยไม่งั้นมันก็มกัมว่วเขา่ามั่วแปลว่ามืดบอดพิสูจน์ไม่ได้ก็ใครค้านก็จับใส่คุกแบบกาลิเลโอเนะ่นั่นนะคือสรุปแล้วใครบอกว่าโลก ไอ้อพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลศาสนาคริสต์บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลถ้านจะหลับหูหลับตาเชื่อยอย่างเงี้ ย, ไ, ยง ไ, งไม่ฟังวิทยาศาสตร์เนี่ยมันบลายอาจารย์ไม่ทราบว่าคุณกับขของอาจารย์ท่ไปยึตัว่าพระเจ้าจา้างโลกบอกรรมจะไม่รู้เยหรือว่าโลกอุ่หรือแบะโอโไม่เกี่ยวกับตะมานะให้คนอื่นไปเถอะ แค่นี้มันก็จะแย่แล้วอันนี้พูดไม่ได้ยกย่องหรืออะไรศาสนาเราสอนวิชาอ่าทีนี้ได้ได้ประโยกหลังเนี่ยนะศาสนาที่ไม่มีวิทยาศาสตร์มืดบอดเข้าใจแล้วนะก็คือถ้าไปเชื่อเรื่องโลกแบนเรื่องกลมโดยไม่ดูสยจธรรมทางศางสน า, สาไปสอนอย่างนั้นเนี่ยไม่ดูสยจไอคอวิจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มืดบอดอ่ะวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนาพิกลพิการ คือใช้ประโยชน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามแสวงหาความจริงแต่ก็เอาไปประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ไอน์สไตน์เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือสร้างระเบิดปรมนณถ้าไม่มีศิลธรรมาศาสนากำกับมันล้างโลกแต่ไอน์สไตน์ก็เสียใจนะว่า เขาถึงพยายามให้เกิดปรัม đu เพื่อสั ต, ติไยตอนอหลังเ<ใ>นี่ยเขาบอกมันไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะทกาะทก็เพราะว่าไม่มีศาสนาไงถ้าศาสนากำกับพลังทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นไปเพื่อสร้างสารรค์จะไม่กระปลกกระเปี่ยมไม่พิการหรือมาล้มทับพวกเดียวกันเพราะจากนั้นประโยคแรกชัดอย่าง วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีาศาสนามันก็พิกลพิการบางทีก็ทำร้ายตัวมันเองส่วนาศาสนาที่ไม่มีวิทยาศาสตร์เชื่อมั่วมั่มันก็เหมือนมืดบอดเพราะฉะนั้นต้องพึ่งกันออสไตน์เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ต้องรู้อาศาสนาต้องรู้ข้อจากัดตัวเองนะว่าไม่ได้กำลังเคลมเรื่องความจริงของจักรวาล อย่าไปสอนเรื่องจักราวาลวิทยาแข่งกับวิทยาศาสตร์เลยสอนเรื่องจริยธรรมมาดีแล้วนั่นคือคือไอสาย์พูดนะจาประโยคนี้ส่วนวิทยาศาสตร์ก็อย่าไปยุ่งกับคุณงามความดีเรื่องจริยธรรมแล้วถึงขนาดว่าไม่มีความดีไม่มีความชั่วเหมือนกันไ อ, ไอคนที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมอมันเรียนวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะ โกงอ้านโกงเมืองอ่ะชี้ไปทางโน้นชี้ไปโน้นจริงปะล่ะก็พราวิยาศาสตร์ที่ไม่มีาศาสนาเนี่ยมันถึงหลุดโลกไม่มีคุณธรรมวิทยาศาสตร์ อย่าไปสอนว่าไม่มีโลกหน้าไม่มีนโลกไม่มีสวรรค์ไม่แต่กลัวบากปกลักรรมแล้วในีสุดมันจะเสียหายปล่อยให้เป็นเรื่องเพราะวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องรูปธรรมศาสนาเป็นเรื่องนามธรรมามันเขตไข่เขตมันขนานกันแล้วก็มาแต่อยา่าแต่อย่าไปขนานกันโดยไม่จับมือกันในคนคนเดียวก็จะต้องรู้ทั้งาศาสนา รู้ทั้งวิทยาศาสตร์คนที่รู้ทั้งศาสนาวิทยาศาสตร์ในตัวเรืเราเรียกว่าบูรณาการคนที่รู้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวคือมีตาข้างเดียวรู้ศาสนาอย่างเดียวก็มีตาข้างเดียวฉะนั้นคนในโลกนี้จึงมีสามประเภทในอันทสูตร ประเภทที่หนึ่งตาบอดไม่มีดวงตาทั้งสองข้างตาเดียวคือรู้ด้านเดียวแล้วก็คนสองตาคือรู้สองข้างคนตาบอดเป็นฉไหนไม่มีในตาอันเป็นเหตุให้ได้พกขราศัพท์ที่ยังไม่ได้หรือทํพกข้าศัพท์ที่ได้มาแล้วถี่มากขึ้นไม่มีในตาเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลสรุปแล้ว ไม่รู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทำให้ท ร, รมาหากินได้ตาบอดไปข้างนไม่รู้ธรรมะที่มากํากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบอดอีกข้างหนึ่งบุคคลที่พึงประสงค์ต้องมีสังกัดฉะนั้นคนตาบอดไม่มีความรู้ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งไม่มีเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาบอดทั้งสองข้า ตาเดียวคือรู้วิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีด้านเดียวสองตาก็คือมีธรรมะกำกับทวิจักขุคนสองตาเรียนแต่รัฐศาสตร์อย่างเดียวรัฐศาสตร์ภาษาจีนเดียวไม่มีธรรมะตาบอดหนึ่งข้างเรียนแต่ธรรมะอย่างเดียวไปเป็นเจ้าวาสปกครองไม่ได้เขาไล่ บอดอีกข้างเนาะเออจบนักธรรมตรีโทเอกเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอได้แต่ทรมาเออขอขี่โยมขอที่โยมโดนตุบตับตุบตับเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้ทั้งสองอย่างในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกสมองสองซี่ ซีกซ้ายกับซีกขวาใช้ให้ครบทั้งคู่คนที่ค้นพบชื่อโรเจอร์สเปอรี่ได้รางวัลโนเบลเพราะเรื่องนี้ในปี2 2 4ซีกซ้ายนี่ใช้เรียนอะไรตักกราสร์วิชาการทั้งหลายที่เราเรียนกันเนี่ยศาสตร์ต่างๆเนี่ยใช้สมองซีกซ้าย เด็กที่เรียนในมาจงกระทั่งปรฐมมัธยมเนี่ยตาข้างเดียวคือซีกสายแต่พอมาเรียนมหาจุฬาเนี่ยท่านกําลังเพิ่มซีกขวาเห็นไหมมีอารมณ์มีศาสนามีศิลปะมีปรัชญาใช้ทั้งสองซีกท่านเป็นซีกสายหรือซีกขวาใช้อันไหนมากตอนนี้อให้ดูภาพนี้โอ้นี่ เขาบอกว่าถ้าซีกซ้ายมันจะเกี่ยวกับเรื่องการคิดวิเคราะห์เรื่องภาษาเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ถ้ากรรมาฐานนะต้องขวามือนะศิลปะกรรมาฐานปรัชญาเนี่ยเขาไม่พูดมากภาษานี่มันอยู่ซีกสายคนที่ที่เกิดอุบัติเหตุนะอะไรแทงเข้าไปที่สมองซีกซ้ายเนี่ยหรือ สเส้นโลหิตแตกในสมองซีกซ้ายเนี่ยจะพูดไม่ได้แต่รู้เรื่องหมดรู้ด้วยสมองซีกขวาเราจะไปด่าเขานะเขารู้หมดเลยซ <c oughs> ีกขวามาทำงานเขาจะรู้หมดซีกซ้ายพิการเนี่ยมันสื่อสารไม่ได้พูดไม่ได้มีนักประสาทวิทยาคนหนึ่ง neurology ไม่รู้ว่าอยู่ในนี้รหรอือเปล่าเข า, เา ไ, มไม่ต้องกั น, กน <_ d ata> เขาอยู่ๆเนี่ยเกิดเขาเส้นเลือดในสมองแตกนะพอเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาแล้วตอนหลังเนี่ยแปดปีเขารักษาหายเขามาเขียนประสบการณ์ หนังสือชื่อ Stroke of Insight ในช่วงที่เส้นเลือดในสมองเขาแตกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขานอนนิ่งๆอยู่มันแตกซิกสายที่เขาเริ่มค้นพบก็คือมันเงียบในในหัวเขาเนี่ยมันเงียบไม่มีเสียงคุยกันแข่งกันเหมือนทุกวัน ปกติเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะคิดซ้ายคิดแยง้งคิดอะไรตลอดเวลานะมันจะมีไอ้สมองซีกซ้ายมันคิดเป็นภาษามันจะคิดตลอดแล้วมันโดมิเนตมันคุมกลับบ้านสิไปนูนน่นสินู่นสินั่งฟังพระ ก, ก่อแย้งนูน่นแย้งนี่ไอ้นั่นแหละซีกซ้ายมันทํางานพอเส้นโลหิตในสมองแตกซีกซ้ายเงียบไม่มีใครเถียงไม่มีอะไรนอนเฉย มีแล้วเป็นอะไรรู้เขาก็ยังไม่รู้เพราะมันว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาก็นอนสบายสมองซีกขวามันทํางานเพราะที่ผ่านมาซีกซ้ายมันยึ ด, ม, ดมันสั่งอย่างเดียวพอซีกขวาทํางานนี่มันจะเกิดเขาบอกว่าเขามองแขนเขาเนี่ยมันแยกไม่ออกจากฝาผ น, านัง มันรวมมันมองเป็นภาพรวมหมดนะมันตัวเขาได้ยืดเชื่อมกับสรรพสิพส่งมาเลยซี่ขวาฮะเหรออย่าไปพูดว่าคุณเจ้าอายงุงซี่ขวามาทำงานท่านมันไปกระตุน้นแต่แล้วมันเชื่อมกันหมด แต่ไอ้ซีกซ้ายเนี่ยมันสู้มันเฮ้ยเราเป็นไรเนี่ยทีนี้เขาเรียนมาทางนี้เขารู้แห ล, ละเส้นรดเลือดในสมองแตกเพราะฉะนั้นถ้านอนอยู่นี้ตายแน่ๆเขาก็พยายามลุกเพื่อไปห้องน้ำระยะใกล้ๆเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานา น, านมากกว่าจะไปได้เนี่ย เพราะว่าระบบการควบคุมมันไม่ดีพอเสร็จแล้วไอ้ซีขวามันก็ทำงานอีกสบายเหลือเกินมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันอยู่กับจักปัจจุบันเราไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันไม่ห่วงกังวลนั่งสบายไอ้คนที่ทิ้นเราเหิตแตกแล้วมันนอนตายอยู่กับที่เนี่ยเพราะไอ้ซีขวามันไม่กังวล ปล่อยให้นอนจมกองเลือดตายอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าถ้าเลื่เลือดออกเนี่ยนะมันสบายไอ้แต่ที่ซออกซ้ายมันบอกขืนนอนอยู่อย่างนี้ตายแนๆ่ๆมันกระตุ้นึ้นมาพอตายแนๆ่ๆมันก็จะลุกสิคลานไปที่โทรศัพท์พอไปที่โทรศัพท์เนี่ยเห็นแป้นโทรศัพท์เนี่ยนะอ่านไม่ออกเลขหนึ่งสองสามเนี่ยแกอ่านไม่ออก แล้วแกจะโทรศัพท์กับที่ทำงานแกก็นึกไม่ออกว่ามันเลขอะไรเพราะสมองสีสายมันคิดเป็นเลขคิดเป็นภาษาโทรไม่ได้พูดก็ไม่ได้แกทำยังไง ร, รู้ไหมที่ทำงานตัวเองแกเอาน้ำบัตรมาวางแล้วก็เทียบเลขในน้ำบัตร เลขโทรศัพท์ LC ในนามบัตรกับแป้นโทรศัพท์กดเข้าด้วยกันเพราะซีขวามันคิดเป็นภาพมันไม่ได้คิดเป็นภาษานะมันคิดเป็นพิกเจอร์นะนะบิ๊กพิกเจอร์ให้ดูในภาษาอังกฤษเนี่ i ใช่มนี่นี่ยบิ๊กพิกเจอร์ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เอาภาพมาเทียบกันโทรศัพท์ พอทางสายปลายสายเขารับแกก็พูดโอเออแกนึกว่าแกพูดรู้เรื่องฟังเขาก็ตุล่งตลกเสียงมันอะไรก็ไม่รู้แกก็พูดพยานยาบอกภาษามันไม่ออกแต่คนทางปลายสายมันทํางานเกี่ยวกับเรื่องประสาทมันรู้เลยไอ้คนปลายสายเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกมันรีบเอารถมาพาไปรักษาเท่ากับไข่ไก่ที่แตกเลือดพ่าตัดแล้วรักษาอยู่แล้วก็ฝึก ใช้ภาษาใหม่จนกระทั่งมาเขียนหนังสือได้เนี่ย8ปีแกไปคุยเรื่องนี้ในรายการเท็ทออ่ะก็ทำให้หนังสือแกก็ขายดีด้วยแกก็เลยบอกว่าในเท็ดท็อแกบอกว่าถ้าเราสอนคนให้ใช้สมองซีกขวา ม, มากขึ้นไม่ใช้แต่ซีกซ้ายอย่างเดียวคนจะมองเพื่อนมนุษย์ รวมกันเป็นหนึ่งมันจะไม่มีการแบ่งแยกมันจะรักลรสามาัคีกันศิลปินเนี่ยเวลาเขามองภาพอะไรเขาจะมองภาพรวมไม่ว่าจะภาพวาดอะไรต่างคนท้าฝึกสมองสี่ฝ่าจะมองเอกกับภพเป็นหนึ่งจะมองสับพสัต เป็นเพื่อนร่วมโลกจะมีเมตตาแผ่ไปไม่มีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติศาสนามากๆคือพัฒนาสมองสิกขวางและจะอยู่กับปัจจุบันมากกว่าจะห่วงอนาคตหรือกังวลกับอดีตเพราะสิกซ้ายมันทำ เมื่อใดเท่านั้งที่เราปฏิบัติกรรมาฐานไปพัฒนาซีกขวาเราจะไม่มีเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายเราจะมองเพื่อนมนุษย์เป็นหนึ่งซึ่งในตอนเด็กๆ ก, ก่อนเข้าโรงเรียนเด็กไม่ว่าผิวขาวผิวดำ ม, มันคบกันเป็นเพื่อนกันกับคนแปลกหน้าเพราะซีกขวามันทำงานมากกว่าเด็กมันจึงมีความสุขอยู่กับพ่อกับแม่พอส่งเข้ามาโรงเรียน ครูก็รู้จักสอนให้ใช้เรื่องภาษาเรื่องวิทย์เรื่องคิดวิเคราะห์ให้ทุกเหมือนครูการศึกษาก็เลยเป็นระบบสร้างความทุกข์ให้กับเด็กการแข่งขันกันอะไรต่างๆประเด็นไม่ได้อยู่ที่ห้ามสอนเพราะถ้าไม่สอนอย่างนั้นมันก็แข่งขันอยู่ในโลกไม่ได้มันจะได้ตาข้างเดียวเราก็ ใช้ซีกซ้ายให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโ ล, โลยีทางสังคมศาสตร์อะไรต่างเพื่อให้อยู่ในโลกอย่างเท่าทันโลกและให้พัฒนาซีกขวาให้อยู่ในโลกอย่างมีความสุขอย่างรักสามัคคีกันไม่แบ่งแยกกันก็จะเกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นสมองสองซีก เป็นทวิจกักขุหมุนไปทางไหนถ้าหมุนซ้ายแสดงว่าเราใช้สมองซีกซ้ายมากถ้าหมุนขวาหมุนซ้ายเอะแล้วหมุนไปทางไหนอ่ะ คนหนึ่งบอกขวาอีกคนเดินบอกส า, านนยตกลงมันหนมุนไปทางไหนเออมั น, น, น, น, นต้องมองให้หมุนทั้งสองด้านฝึกให้มันบาลานซ์ใช้สมองทั้งสองซี่บางวันก็ไปนั่งเพ่งนะกงกงหน่อยฮะฮ ะ, ฮะ หมุนไปอย่างเงี้ยนะตามเข็มอันนี้ลองลอ ง, ลองยังยกมือดียว่าใครเห็นว่ามันหมุนไปตามเข็มนาฬิกาบ้างยกมือหมุนไปตามเข็มนาฬิกาใครเห็นว่ า, ามือลงมันมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาไอ้ที่เหลือนี่ไม่เห็นเลยเหรอฮ่ายบ้างขวาบ้าฮ่าาฮ่าาฮ่าาฮ่าฮ อันนี้คือการฝึกสมองถ้าหมุนไปไทม์ไตเขียนิการเราใช้สิ่งสซ้ายหมุนทวนเขเมนิการเราใช้สิทขวาใช่ <c oughs> ข้าวปลาใช่แล้วก็กลับใช่หมใ้วก็ นั่งเพ ale, hadi, <c oughs> <c oughs> <de> ่งต่อกันแล้วกันเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวมีงานต่อไปก็ฝากพวกเราไม่ตันี้